อาจารย์ครับกลาวนำมรดกา ร, กรครับผมเดจาก้อยคุณหมอและคุณผู้ชผู้ชมทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่แปดสิบห้าครับเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นปีใหม่เลยครับอาจารย์วันนี้ก็ผมตั้งหัวข้อว่าพอดีว่าไปไหนมื่อไหนก็จะได้ยินคนพูดอยู่เรื่อยครับอาจารย์ว่าแต่เราเกิดมาเพื่อจะใช้นีิกรรมแต่บางคนก็ บอกว่าไม่ใช่บางคนบอกว่าเกิดมาเนี่ยเพื่อจะสร้างบุญบา ร, รมีผมก็เลยขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าที่แท้แล้วเนี่ยพวกเราเกิดมาใช้นี่หรือมาสร้างบุญบา ร, รมีกันแน่ครับอาจารย์ครับไม่ใช่ทั้งสองอย่างะ <c oughs> เกิดมาเพื่อเสก <c oughs> กรมกรรมมาตัาหาเป็นตัวผัดนันให้มาเกิดถ้าไม่มีการมมาตหานะก็ไม่ต้องมาเกิดในโลกของการม <c oughs> ทุกข์นะนี่มันยังมีการมมาตหามันยังติด รูปเสียงเกลียถวดตาพาเมือนคนติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดจาไปไหนอะถ้าไม่ไปอายาเสพติดเออคนที่มีการมาตรฐานนะเอ็มรูปเสียงเกลียดลดวดตาพาติดหน้ า, นานลดเสื่อมเสื่อโลกกระทำแปดโลกกระทำนะอันนี้แหละที่เป็นเหตุที่มาเกิดกันถ้ารั ก, การมาตรฐาได้ก็ไม่ต้องการมามาเกิดกร่าผมา เช่นพราอาคามีิ่านละภาวาการว่าตัญหาได้ท่านก็ไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์เกิดในภพโลกเพราะท่านยังติอยู่ที่เป็นอยู่ที่รูปฌานรูปฌานอยูส่วนพระอรหนันี่ท่านละได้หมดการวาตัญหาภาวนตัญหาวิภาวนตัญหาทําให้ท่านไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้เป็นสาเหตุที่แท้จริงครับ ส่วนเรื่องการใช้นีก่กรรมเรื่องบุญบา ร, รมีก็พูดกันไปนะคมันก็เป็นุมันก็เป็นผลพลอยได้เกิดมาแล้วก็ต้องมาใช้กรรมนะําทบุญทำกรำกรมอะไรไว้ก็ต้องมารับบางคนก็คิดว่าเกิดมาแล้วเพราะว่าอาจจะเชื่อในเรื่องบุญบา ร, รมีก็อาจจะมาสร้างบุญบา ร, รมีแต่อันนี้เป็นผลผลพลอยได้ผลหลักก็คือมาเสพกรรมเท่านั้น แวันนี้กกลับสั้นไม่ยากจริงๆแล้วเกิดมาแค่เพื่อว่าเพราะว่าเราติดกิจกรรมก็เลยต้องกับมาเกิดอยู่เลยใช่ไหมใช่เหมือนคนติดยาเสพติดครับเขาก็ต้องไปหายาเสพติดมาเสียครับผมแล้วแล้วพอแล้วพอเราเกิดมาแล้วที่ที่นี้ก็เลยบุญกรรมที่ทํามาก็เลยเป็นผลให้เราให้เราต้องมาต้องใช้ต่ออ วันนี้ก็ได้ผลบุญดีดดก็มไีได้ได้ความเจริญมีคนมาดูแลรับใช้ช่วยเหลือเรา อ, อะไรต่า ง, งๆนะ น, นี่ในบางทีก็มีเจ้ากรรมนายเวรมา จ, าจองเวรจองกรรอันนี้อันนี้เป็นผลตามมาผลผลตามมาจากการมาเกิดนะถ้าเราไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาใช้นี่กรรมไม่ต้องมาสร้างบุญอะไรนี้ลาจารย์ครับแล้วที่บาง แต่ละคนเกิดมาแล้วอมีฐานะสูงต่ำดําขาวที่ไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นผลใช่คนยะมบุญยงบาปที่ได้ทําไปคนยงบุญยงบาปนอกจากที่จะส่งไปสวรรค์หรือไปอาบายในขณะที่ไม่มีร่างกายแล้วแต่พอเวลาได้ร่างกายมาผลยงบุญยงบาปก็ยังมีเหลืออีกส่วนหนึ่ง <Okay. S 2> ที่เรามารับต่อถ้าบาปมากก็จะมาเกิดในถ้ามาจากอาบายก็จะมาเกิดใน รูปลักษณะที่ไม่สวยไม่งามอาการไม่รครบส2สบสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บ ต, ต, ติดตัวมาอายุสั้นอันนี้ก็เป็นอนันดสมของบาป ท, ที่ทำา้อ้ที่ยังมีที่ยังส่งผลอยู่ตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนผูที่ลงมาจากสวรรค์ผู้ที่ทำบุญมากกว่าบา มากิดเป็นมนุษย์ก็จะได้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิพวพรรณผ่องใสาอายุยืนยาวนานสุขภาพแข็งแรงอาการครบสาสบสองมีฐานะมัง่งคั่งเกิดในครอบครัวของผู้ที่มีฐานะดีหรือไม่เช่นั้นก็อาจจะมีความสามารถที่จะสร้างฐานะให้กับตนได้อย่างง่ายดายนี่คนอมสมของบุญของบา ที่เรามามามารับนี่กันมาใช้นี่ใช้นี่บุญใช้นี่บาปกันกแล้วก็ถ้าเรามาได้พบคําสั่งคําสอนแล้วก็มีพูดถึงเรื่องบุญบารมีเราก็อาจจะมีศรัทธาความเชื่อก็สร้างบารมีกันหรือบางคนมีความรู้สึกว่าอยากจะพ้นทุกข์อยากพระโพธิสัตว์เนี่ยอยากจะพ้นทุกข์ก็สร้างบุญบารม ไปตามความเข้าใจของของตนครับอันนี้ก็มีบ้างถ้าอย่างนั้นแล้วบางคนอย่างพวกเรารู้แล้วผมขอโอกาสพระอาจารย์ทำยังไงแบบไม่ต้องมาเกิด น, นะครับพระอาจารย์ครับก็ปป ต, ต้องปฏิบัติมากแปดให้ใ ห, ให้ให้เสด็จายในภพนิชานี้ให้ได้ปฏิบัติทานซีนภาวนา ศาลาร ส, สมัติอบของเงินทองเหมื อ, อ, มอมนพระพุทธเจ้าเนะ่ยาลานาะสมบัติเส่็จแล้วก็ออกบวชแล้วก็ไปปฏิบัติสิลสมาธิปัญญาจนสามารถตละลาสัมโยชทสิงธิประการได้เมื่อล้าสัมโยชนสิ่ได้ก็พบชายก็ถูกตัดหมดสิ้นไปสัมโยชเป็นตัวผูกรัดจิตใจให้ติดอยู่กับในในใตายขอ สัมยนุนเบื้องต่ามห้าข้อแรกนี่เป็นตัวที่ผูกมัดให้ติดให้มาเกิดในการมาพบมีสกายทิฏฐิวิจิกิจจาศีลพัตตปรมานราคะการมราคะและปฏิคะเป็นตัวที่จะดึงให้ใจนี่กลับมาเว้นไหวตายเกิดในการมพาพบทาราสัมยนุนเบื้องต่ามห้าข้อได้ ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในรูปภพอาจจะไปเกิดในรูปภพหรืออารูปภพเพราะยังไม่ได้ละรูปรูปฌานความยินดีในรูปฌานหรืออารูปฌานต้องเจริญปัญญาให้เห็นว่ารูปฌานก็เป็นตายรักอรูปฌานก็เป็นตายนักเป็นทุกข์ถ้าไปติดก็ต้องทุกข์เวลาที่ไม่มีไม่มีรูปฌานให้เสกหรืออารมูปฌานให้เสก อนนี้ก็เลยต้องตะก็รับสัมย่ยอยสามก็มานะการถึงตัวแล้วก็ ว, วิจิกจเกช่าความพุ่งสร้างอนนี้ตัวเียะความพุ่งสร้างจำชื่อภาษาบาลีไหมนะอุทจจะอุทจจะแต่นี่มันความพุ่งสร้างในการจเจริญปัญญาในการที่จะ โคท้าอาวิชชาว่าอยู่ที่ไหนเป็นยังไงการไม่รู้ว่าอาวิชชาคืออะไรก็ป็นอวิชาต้องใช้ปัญญาที่คอ ย, อยศึกษาวิเคราะห์ว่าอะไรคื อ, อวิชาจะในสุดก็พบว่าอาวิชชาก็คือความหลงในในจิตที่ผ่องใสที่สว่างสวย ที่คิดว่าเป็นวิปัสน์นะครับนะคับจริงเป็นจิตที่ยังไม่อยู่ภายใต้ก่อนงตายลักอยู่มีจริมีเสื่อมก็พิจารณาแล้วก็ต้องตัดปล่อยวางมันจะเสื่อมกม่าปล่อยมันเสื่มไปตอนต้นไมรู้ก็ใช้สติปัญญาคอยรักษาความสว่างไว้ แต่ตอนหลังมาพิจนารณาดูว่ายัางต้องใช้สติปัญญาก็ายังแสดงว่างานยังไม่เสร็จนะ uh huh. ถ้าจะให้เสร็จง่านก็ต้องไม่ทำลายแล้วก็ต้องปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน uh huh. ก็ปล่อยอารมณ์ปล่อยให้จิตเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะสวา่างมันจะไม่สวา่างมันจะสุขมันจะไม่ทุกข์ ดูไปตาความเป็นจริงเพราะมันเกี่ยวข้องมัน ม, มีสมมติที่มัเกี่ยวข้องด้วยคือมีเรื่องหูไตแล้วมาเกี่ยวข้องด้วยได้ไปถึงจุดสูงสุดแล้วสุดท้ายแม้แต่ปัญญาก็ไม่ได้ไม่ต้องใช้อะไรใช่นหมครรไม่ใช่นะปัญญาเหมือนยาที่คุณหมอใช้รักษาโรคธรรมะหูสนแต่โรคหายแล้วหมอจะกินยาไหมเนะี้ย พาราฟีอัพพาวนีฟาเรียอะไรเนี่ยที่กินไว้ตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีโควิดนะตอนที่มียังต้องกินอยู่ใช่ไหมครับผมให้หมอติดให้บาลเนี่ยหมอยังไม่ติดใช่ไหมจริงๆเคยติดไปครั้งแล้วครับอาจารย์ตอนนั้นกินยาป่ะไม่ได้กินครับอาจารย์ไม่กินเลยตอนนั้นกินยาออกกินฟ้าทลายโจรครับกินฟ้าทลายโจรพอหายแล้วก็เลิกกินใช่ไหม ใช่ครับอาจารย์ครับมรที่มีสติสมาธิปัญญาสีนี่เป็นมรเป็นเครื่องมือที่จะทําลายเชื้อโรคหือกิเลสตัณหาที่สร้างความทุกข์ให้กับใจพอเชื้อโรคถดถายไปหดนดะแล้วก็ไม่รู้จะเอาเอายาพวกนี้มากินทำไมครับคือก็ยังมีอยู่แต่ไม่ได้ามาใช้เพื่อทําลายกิเลยแต่ก็ยังมีไว้อยู่ คือพระเป็นพระก็ยังมีศีลสองร้อยยเจ็ดยู่ก็ยังรักษาอยู่เพื่อรักษาความสวยงามของของสถาบันของของสถาระพระของสงฆ์ของพระแต่ไม่ได้รักษาไว้เหมือนเมื่อก่อนรักษาเพื่อเพื่อทําเพื่อกีดก้นกิเลสครับเพราะไม่มีกิเลสมามามาต้องมากีดกันนะเหมือนเมื่อก่อนมีครอบศีลนี่เหมือนครอบครอ่ ไ, ไว้สําหรับกักขังสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควาย ไม่ให้มันหนีออกไปข้างนอกว่าเวลาไปแล้วมันไปไกลก็ก็จะต้องการมันเนี่ยต้ไปตามตัวมันมาศีนี่เป็นเหมือนข้อคอยกัดกัดขังกิเลสไว้ไม่ให้ออกไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นอต่ทีนี้กิเลสมันตายหมดแล้วข้อก็ก็มีไว้เปน็นอนุสรทนั่นเองแต่ไม่ได้ทําหน้าที่เหมือนเมื่อก่อน พท่านพาหลานท่านก็ยังมีศีนอยู่แต่ท่านไม่ได้มีศีลเหมือนแบบตอนที่ท่านเป็นปุถุชนสีนของนั้นตอนนั้นมีไว้สําหรับอกักขังกิเลสทำให้มีกิเลสกัขสกขังแล้วศีนก็เป็นเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนี่เป็นอนุสร์ครั้งหนึ่งเราใช้ศีนนี้กักกันกิเลสอันนี้ไม่มีกักกันกิเลสแต่เราก็ไม่ได้ทำลายมนเก็บไว้เป็นอนุสร์ เหมือนเครื่องบินลบที่มันเก่าแล้วเขาเขาก็ไม่ถ้าอยากเก็บไว้เป็นอนุสรได้ก็เก็บไว้ให้มันเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะออ่ครั้งหนึ่งเรามีเครื่องบินลบแบบนี้นะท <c oughs> ่านนี้สินสมาธิปัญญาก็แบบนั้น <c oughs> <c oughs> เป็นเครื่องมือกับจัดกิเลสทัรหาเมื่อกิเลสทัรหาหมดแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่เราใช้เครื่องมือเหล่านี้ต่อไป ถ้าจะใช้ก็ใช้ถ้าปัญญาจะใช้ก็ใช้เอามาเอาธรรมะเอามาเผยแผ่สัมสอนให้กับผู้อื่นต่อไปอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาต้องคิดว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรแล้วอธิบายเรื่องนี้คนเขาเข้าใจได้อย่างไรมันก็ต้องใช้ปัญญาอย่างนี้นแต่ถ้าไม่ต้องสัมสอนใครก็ไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้ปัญญาครับดูสติมันก็มีโดยธรรมชาติตนธรรมะของมัน สติมันก็คือมันมีมันเคยฝึกมามันก็ไม่หายไปไห น, นก็มีไว้สำหรับประคับประคองร่างกายนี้เวลาที่ร่างกายก้ลังเคลื่อนไหวทำอะไรก็ต้องมีสติปัญญ า, าทั่วสังขารควบคู่กับสังขารความคิดตั้งแต่แต่มันไม่ได้มาใช้ในการทำลายกิเลสตายต่อไป เข้าใจแล้วครับอาจารย์เคยได้ยินที่เขาบอกว่าพอถึงฝั่งแล้วก็ต้องทิ้งเรือไปก็คือประมาณอย่างนี้ใช่ไม่ใช่ไปนั่งอยู่บนเรือภายพายพายอยู่บนเรือน่น่ะมันถึงฝั่งแล้วครับผมันไ ป, ไ, ปไม่ได้ไปไกลไกลกว่า น, นั้นนะต้องลงจากลงจากเรือแล้วนะัราจะไปไหนก็ไปได้นะจะไปเที่ยวไปทําอะไรไปเล่นอะไรก็ไม่ไม่มีปัญหาแนะอยู่ฝั่งที่ปลอดภยัยครับทำนิพพานี้เป็นทำที่ปลอดภยอดัยเราจะเข็ดปลอดทุกข์ มันมีเขตปลอดบุหรี่อช่ไเนี้เขตปลอดทุกอืม mm hmm. ไม่ต้องพกอาวุธละไม่มีภะไรทายเลยที่มาค่อยใช้อาวุธป้องกันตัวสติปัญญาก็เป็นเหมือนอาวุธคอยป้องกันเวลาถูกกิเลสมามาสร้างทุกข์ให้กับใจก็ต้องใช้อาวุธคือสติปัญญาคอยทําลายมันพอไม่มีทุกข์แล้วมันก็ไม่มี ความจะเป็นที่จะต้องใช้สติปัญญานในการคาจัดความทุกข์แต่ก็ยังใช้ปัญญาในเรื่องทั่วไปอยู่นจะทําอะไรจะกินอะไรดีไม่ดีควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ดีไม่ดีก็ยังใช้อยู่แต่แม่นเนี่ม่เอามาใช้ไว้เพื่อมาคาจัดสัมยอกิเลตนันหาโหหามวิชา ย, ยต่างมันหมดแล้วไม่มีให้กคำคำจัด อาจารย์ครับแล้วทีนี้ในคนส่วนใหญ่ที่รับฟังอยู่เป็นผู้ดชนอยู่นะครับเขาบางคนก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องนิพพานดับทุกโดยสิ้นเชิงอย่างนี้พวกเราจะต้องอทํำยังไงให้ให้ อ, อกตราวุฒิน้อยลงนะครับในการเกิดครั้งต่อๆไปครับก็อาจารย์เหรอพระพุทเจ้าบอกให้รากายการทำบาปเนี่ยบาปนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์นะครเช่นอยา่าไปค่าสัตว์รักทรับพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดและอย่าไปเสพบายบาย กระเด็นโซาเล่นการพนันเที่ยวเตแล้วก็เกลียดค้านแล้วก็คบคนที่เช่าอวาอยวุฒเป็นมิตรอันนี้เป็นการป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของเราในปัจจุบันได้ถ้านําไม่ไปเสพยาเสพติดแล้วก็ไม่ไม่มีความทุกข์เกีย่ยวกัรืยาเสพติดเล่การบันดันเดี๋ยวเราก็ต้องทุกกับเรื่องินทอาไม่พอใช้ จะต้องไปหากู้หนี้ยืมสินแลอวไปรักทรัพมาใช้เนื่อนการพนันต่อบาบายางโมกอย่ไปเสกเพราะมันมีแต่สูญเสียทรัพยากรของเราคือเงินทองแห้โอกาสที่จะได้มันยากได้มันก็ไม่พอมันก็เล่นต่อเื่นการพนันต่อเ่นแล้นเดี๋ยวเมื่อไงที่เสมันก็ถ้าเสบอย่าไปเสกบาบา ย, ยัางกอย่าไปทำํำบา อันนี้ก็จะป้งองกันความทุกขได้ไในในระดับหนึ่งทำให้เราอยู่อย่างสบายไม่ต้องไปกังวลเรื่องติดคุกติดตาราไม่ต้องไปก้าวลเกี่ยวเรื่องขึ้นลงขึ้นสาอะไรต่าง <c oughs> เราไม่ไปโกหกเราเมืองใครไม่ไปชอบโกงใคร <c oughs> เขาไม่มีใครเขจะไปแจ้งความมาจับเรา <c oughs> แล้วถ้าอยากจะมีความสุข <c oughs> ก็ทำบุญทํา ทำความดีชนิดต่างๆบุญชนิดต่างๆน้าต่างอาจจะเลือกทําอะไรที่เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นนี่ถือว่าเป็นบุญโดยทํานั้นเราก็จะเกิดความสุขใจอยู่ใจขึ้นมาคสําหรับแบบทำับบง่ายๆของผู้ที่ยังไม่มีเวลาที่จะให้กับการปฏิบัติภ า, าวนาก็เอาสองอย่างนี้ก่อนทําทานนักษาศีลหน้ า, ม า, าม ไ, ไม้มุขต่างๆนี่ทําความดีต่งตางๆ กับขอบพระคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจากคุณพีโกครับเราสามารถคัดกรองอารมณ์ไม่ดีไม่ให้วิญญาณขันรับรู้ได้ไหมครับเราก็สามารถทําได้เป็นพักๆเช่นการใช้สตินี่ยมาทำสติแล้วก็จะเวลาเรามีสติแล้วก็ทําใจให้เน่งอารมณ์ต่างๆก็สงบตัวลงไป อารมนี้มันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราถ้าเราคิดไปในทางโลภโกรนน้องมันก็จะเกิดอารมณ์ไม่ดีถ้าเราคิดไปในทางตายรักมันก็จะทำให้ไม่มีอารมณ์ไม่ดีกเกิดขึ้นมีอารมณ์ดีก็เห็นตายรักแล้วเราก็จะปล่อยวางปล่อยวางแล้วใจเราก็จะเบาสบายมีความสุขไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่วิตกกังวลกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องนาวต่างๆ เราสามารถทําได้ในการปฏิบัติก็เพื่อมาคัดกรองอารมณ์นี่เอาอารมณ์อย่าไปผลิตอารมณ์ไม่ดีให้ผลิตแต่อารมณ์ดีคุณปิยารัตน์ครับทําไมการหันมาสนใจศึกษาธรรมะของแต่ละคนถึงไม่เหมือนกันคะบางคนสนใจแต่เด็กบางคนสนใจก็อายุมากแล้วหนูเคยศึกษาตอนเด็กๆช่วงวัยรุ่นไม่สนใจแต่จู่ๆก็ต้องกลับมาปฏิบัติธรรมเหมือนเดิม เกี่ยวกับบุญกรรมที่ทํามาใหม่ครับพระอาจารย์มันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนมันก็มันแล้วแต่ว่ามันพร้อมหรือยังมันถึงเวลาหรือยังถ้ามันถึงเวลามันก็สนใจถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันก็ไม่สนใจนะเราก็ไม่รู้จักแบบวิเคราะห์อ ย, อย่างไงดีการอยู่ที่อยู่ที่เวลาของแต่ละคนนั่นเองเหมือนกัน บางคนก็เจอทุกมาก็กลับมาสนใจก็มีเยอะนะครับอาจารย์่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตรงที่ที่เห็นทุกข์กันเห็นเห็นเห็นเทวทูตสี่อย่างได้อย่างหนึ่งครับก็อาจจะมาสนใจแต่บางคนก็อาจจะไม่สนใจก็ได้เห็นแล้วก็กลายเป็นบ้าไปก็ได้กลายเป็นขะึ<อ>้น <laughs> อ, อยู่ว่าเขามีมีที่เพึ่งหรือเปล่าเวลาเกิดเขามีความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีความทุกข์แล้วเขาเคย ถ้าเรียนรู้ธรรมะมาก่อนตอนที่เขาเป็นเด็กหรืออะไรนี่เขาอาจจะมุ่งกลับมหาธรรมะไรด้คนที่ไม่มีธรรมะนี่เขาไม่รู้พยัึชนะอะไรวันทีเขาพิ่มไปเพิ่มสุรายยามาเอาไปเพิ่มยาเสร็จติดเึิ่มอะไรอย่างไร คุณปิยรัตน์ครับหลังออกจากสมาธิสามารถวิเคราะห์สภาวะธรรมในสมาธิได้ไหมคะหรือไม่ควรสนใจแค่สักแต่ว่ารู้แล้วก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆครับก็ถ้าจะวิเคราะห์บ้างก็าาได้ถ้าจําเป็นถ้าสงสัยเรื่องอะไรที่มันเกิดในสมาธิแต่ส่วนใหญ่ก็สรุปว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นที่เราไม่สนใจเพราะมันเป็นสภาวะธรรมที่เราไม่ต้องการมัน แต่นั้นเป็นสิ่งที่มันยังเกิดขึ้นมาอยู่ก็ให้รู้ว่ามันยังเกิดขึ้นมาอยู่เราเนแต่เราไม่ควรที่จะไปให้ความสำคัญกับ่ันเราควรดะให้ความสำคัญกับความว่าความสงบเท่านั้นในการที่เราทําสมาธิคุณวันเพ็ญครับการาบเรียนถามว่าสุขภาพไม่แข็งแรงรักษาตามอาการหมั่นอุทิศบุญกุศลทานศีลภาวนาให้เจ้ากรรมนายเวร เพียรฝึกสติรู้สึกตัวจะทําไปจนวันตายช่วยตัดภพชาติให้น้อยลงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับก็จะว่าตัดถ้าถ้าถ้าทําตามกิเลน้อยลงมันก็ตัดภพตัดชาติได้ตัวที่ทําให้ภพชาติมีมากขึ้นน้อยลงก็อยู่ที่กิเลนนี่ถ้าเราส่งเสริมกิเลนทาตามกิเลนมันก็ทําให้กิเลนมีกําลังมากมันก็จะทําให้มัน สร้างพพสร้างชาได้มากขึ้นถ้าเราคอยตัดกำลังของกิเลสให้มันอ่อนลงให้มันเบาลงกำลังที่จะสร้างพบสร้างชาหก็น้อยลงไปแต่มันขึ้ น, น ล, งลงได้ของวุนี้เพราะว่าบางช่วงเราก็ฮึดสู้กับมันก็สู้กับมันไปบางช่วงก็ไม่อยากจะสู้มันกลับไปสนับสนุนมันอา้าวอยากเอาอะไรอบสนองตันานท้าให้เต็มที่ อันนี้เพราใจเรายังแปกไปแปกมาอยู่ถ้าจะตัดให้น้องเราไปจริงๆต้องขึ้นไปในระดับของพระอริยะบุคคลนะพอขั้นมัสสวดาบาลนี่อยากตับก็เจ็ดชาติเป็นอย่างมากนะแล้วก็ถ้าปฏิบัติไปเดี๋ยว่าขั้นที่สองมันเหลือแค่ชาติเดียวในการยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่พอไปขั้นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป นายังไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมอยูค่คุณปิยรัตน์ครับนั่งสมาธิแล้วเน็บกินขาแต่ก็พูดโธต่อไปไม่สนใจพอออกจากสมาธิพบว่าขาไม่มีอาการเน็บชาแล้วหมายถึงจิตในสมาธิเริ่มละเอียดขึ้นไหมคะพระอาจารย์ถ้าจิตสงบมันก็ละเอียดขึ้น<ม>ถ้าจิตไม่เบีขาไม่ีความสงบมันก็ละเอียดขึ้น อาจารย์ครับบางทีนั่งนั่งครึ่งชั่วโมงมันก็รู้สึกเป็นเน็บถ้านั่งไปนานกว่านั้นบางทีเน็บมันก็มันก็หายไปใช่เหน็บมันเป็นเรื่องของร่างกายธรรมดาของร่างกายที่มันจะต้องเกิดอาการเจ็บอาการเหน็บชาแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันสักพักมันก็หายของมันไปก็ได้ คุณอัญญาณีครับเรียนถามผู้อาจารย์เจ้าขาที่ว่าดูลมนั้นหมายถึงการดูลมหายใจเขาสังเกตกันอย่างไรเจ้าค้าว่าลมละเอียดลมหยาบเป็นลักษณะแบบไหนเจ้าค่ะคือเราก็ดูลมที่ปลายจมูกที่มันเข้าออกอะไนี่ที่มันหยาบเพราะว่ามันมันแรงลมมันแรงก็เรียกว่าหยาบตอนร่างกายมันอยู่เฉยๆได้พักก่อนการทำงานของร่างกายมันก็น้อยลงแล้าบอลลูนเสือมมันก็ ล, ลการหายใจอะไรมันก็เบาลงเพราะมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้พลังงานมากต้องเป็นต้องใช้ลมมากล ม, มก็เป็นตัวที่มาสนับสนุนการทำงานของของร่างกายถ้าเราออกกำลังกายนี่เราต้องหายใจใแรงมากเพราะเราต้องต้องการอากาศมากใช้มากแต่พอเรานั่งเฉยๆนี่เราก็ไม่เราก็จะไม่หา ย, หายใจแรงเหมือนกับตอนที่เราออกกำลังกาย อันนี้ก็เหมือนกันตอนเรานั่งใหม่ๆนั่นแหลมันร่างกายมันยังไม่ได้พักมันเพิ่มเริ่มพักมันก็ยังมีอาการทํางานหนักอยู่ทางานมากอยู่แต่พอเรานั่งไปสักพักสักพักแล้วล่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่ต้างทำอะไรการทํางานของมันก็จะน้อยลงไปช้าลงไปอาการของลบก็จะรู้สึกเบาลงไปลงไปอันนี้ไม่ไม่ต้องคำนวณไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าไม่รู้ว่าหลับอยาบเรื่อละเอียดก็ไม่เป็นไรขอให้รูปนมขอให้ ก็ติดกับลมเพื่มมาให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่น น, นั่ oh นเองเข้ามาเนาะคือไม่ใช่นั่งดูลมแล้วก็คิดถึงงานที่เราทํามาแล้วเรืองานที่เราอยากทำต่อในวันพรุ่งนี้ เ, เรื่องราวเหล่านี้ไม่ให้คิดเนี่ยให้อยู่ให้รู้อยู่กับเพลงแต่ลมว่าตอนนี้ลมกำลังเข้านะลมกำลังออกนะถ้าจะรู้ว่ามันเมื่อกี้มันอยากเดี๋ยวนี้มันละเอียดก็รู้ได้เปรียบเทียบได้มันตา่างหากเป็นจริงแต่ไม่ต้องไปควบคุมมาขับลมให้มันอยากหรือให้มันลอียด ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองเราเพียงแต่มีหน้าที่คอยดูมันเท่านั้นเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องเลยคุณคาิษฐาครับถ้าจ้างลูกไปนั่งฟังธรรมเป็นเพื่อนเพื่ อ, เ, อเป็นกุศโลบายให้เขาได้หัดฟังธรรมบ้างอย่างน้อยก็น่าจะซึมซับพระธรรมได้บ้างอย่างนี้ลูกที่เราจ้างไปนั่งฟังธรรมเขาจะบาปไหมคะจากการที่เขารับจ้างคะ่ะ ทำไมต้องจ้างเขาด้วยอนะ่ะไม่ทราบว่าทำไมต้องจ้างเอาอันนี้ก็พ่าถ้าเป็นการจ้างมันก็เปรียเป็นมันเขาก็จะไม่ได้บุญแน่เพราะเขาทาเพื่อเงินทองเขาทำเพื่อกิเลสทํามันไม่บอกว่าไปเป็นเพื่อนแม่ไม่ไปวัดคนเดียวไปไม่ได้ไปผู้หญิงไงหรือว่าผู้หญิงไปวัดคนเดียวไม่ดีต้องมีคนหนึ่งไปเพื่อนด้วยเอาอุบายให้เขา ได้ทำบุญดีกว่าให้เขาได้เสียสละ mm hmm. ว่าเออเขาได้ทําบุญทำประโยชน์ให้กับคุณแม่แ mm hmm. นี้จะดีกว่าในความรู้สึกของเรานะเ ร, าเรื่องลูกนี่ไม่ควรจะกระชา ง, ขงเขาหรอกว่าเราก็ให้เขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักเสียสละบ้างอย่าไปสอนให้เขารู้จักรู้จักหาเงินเ้าเอาแต่ความโลภหาเงินหาทองแมกระทั่งพ่อแม่ก็ต้องเอาเําเงินางจากพ่อแม่ต้องจ้างเพงจะทําทให้ นี่เดี๋ยวตอบไปเวลาเขาโตขึ้นเราให้มีเงินจ้างเขาเขาก็จะม่มาเลี้ยงดูเราสิใช่นชังั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องสอนย่อให้รู้ถึงความความถูกต้องความดีงามเหตุผลต่างๆการไปวัดนี่ก็เป็นการไปเรียนรู้เมืกับไปโรงเรียนแม่ก็ต้องอยังเรียนอยู่แล้วลูกไปเป็นเพื่อนแม่ด้วยก็ดี หลายทางเลานี้เอาไปให้เขาอยากทำถ้าเขาทำาตัวเขาเองกอ็อาจจะไม่อยากทำถ้าเขาทาเพื่อแม่เพื่อพ่อนีก่ก็อาจจะอยากทำ ไ, ไ, ได้คุณรัญญาครับหากเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอันตรายที่อาจจะทำให้เราต้องตายแ น, น่นอนเราควรวางจิตตอนนั้นอย่างไรคะ ก็ยอมตายเนี่ยดีที่สุดถ้ายอมตายได้จิตเราก็จะสงบถ้ายังยอมตายไม่ได้ก็สวดมนต์ไปตอนนั้นจิตกําลังเครียดจิต ก, กาลังจะเป็นบ้าตอนนั้นก็ช่วยใช้การสวดมนต์ช่วยน้ำน้ความเครียดความเป็นบ้าได้อันเสียสติได้ดึงสติกลับมาด้วยการสวดมนต์ไปถ้าเรามีสติพอที่จะปรงได้ก็ปลงไปเลยว่า คนเราเกิดมาทุกคนในที่สุดก็ต้องถึงก็ต้องตายด้วยกันถ้าวันนี้เวลานี้เป็นถึงเวลาที่ต้องตายก็อยอมตายไปจิตก็จะสงบแล้วมราจะไปสุขสุขกันอย่างนี้อาจารย์ครับถ้าปรองได้ตอนนั้นมีปัญญาเกิดขึ้นตอนนั้นนี่มีโอกาสที่จะบรรลุตอนนั้นได้เลยไหมครับอาจารย์ใช่มันจะบรรลุมันก็ต้องเห็นเห็นการทํางายของอริยสัจสี่เอเห็นว่าตอนนี้ใจเราทุกใจเราเครียดใจเรากลัว พราะความอยากไม่ตายความอยากอยู่นั้นถ้าเรายอมตายเพราะเราเห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นเมือถึงเวลาจะตายเรายอมตายเพื่อที่จะลักความอยากอยากอยู่เพราะยอต้องยอมรับความจริงว่านั่งกายเป็นเป็นตายแล้วเ ป, นนเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าเราไปอยากให้มันไม่เป็น ะไม่ไม่เป็นตายรนะักมันก็จะทำให้เราทุกข์าังนั้นถ้าไปอยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอย่าให้มันอยู่ไป น, นานๆไม่มีวันตายมันก็จะทาให้เราทุกข์มันต้เห็นเห็นทั้งเหตุทั้งผลของการการคือต้องเข้าใจว่าทำไมาเราถึงต้องโง่เราต้องยอมว่าว่าเพื่อลนะความอยากเพื่อดับความทุกที่เกิดจากความอยากอยู่อยากอยากไม่ตายนี้ไปเพราะความจริงนี่ไม่อนความจริงก็คือ เมันถึงเวลามันต้องตายก็ต้องตายแถ้าเราโปรงแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่ผลถ้าเกิดไม่ตายเข้าหน้ามันก็ยังกลัวตายใหม่ได้คุณกิ๊กครับพ่อมีสติอยู่กับการดูลมมากๆมันมีอาการหน้ามืดมึนหัวตามัวและเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งตามตัวแบบนี้ควรทำอย่างไรต่อเจ้าคะอาการเหล่านี้มันจะอยู่กับเรานานไหมคะ ปกติเราไม่มีอาการเหล่านี้นะถ้ามัมีก็แสดงว่าการดูลมของเราอาจจะไม่ถูกกับเจริดหรยอยังไม่ถึงเวลาสติเรายังมีกําลังไม่มากพอก็เปลี่ยนจากการดูลมมาสวดมนต์ดีกว่าสวดมนต์ไปก่อนสวดที่เปเสไปสวดไปภายในใจสักพักใหญ่ๆแล้วดูสิว่าใจเราสงบขึ้นไหมเบาขึ้นไหมเย็นขึ้นไหมความคิดอะไรต่างๆ น้อยลงไปไหมถ้าเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกสงบขึ้นมาต่อไปก็เราหยุดหยุดสวดแล้วก็ดูลงดูลงใหม่ีกทีก็ได้คุณมณีนุชครับอยากถามพระอาจารย์ว่าเป็นผู้ทำสมาธิโดยอาณาปานาสติสม่ำเสมอค่ะแต่ตอนนี้เวลาจะหลับจิตมักจะรวมเป็นสมาธิ สว่างจิตตื่นเป็นไปแบบนั้นจนหลับไปหรือบางครั้งก็จะตื่นไม่ง่วงไปเลยแบบนี้ควรจัดการอย่างไรคะก็่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้ามันจะหลับก็ให้มันหลับไปถ้ามันไม่หลับก็เราก็นุ่งขึ้นมานั่งสมาธิต่อไปได้เดี๋ยวมันถึงเวลามันจะหลับมันก็หลับมันเองบางทีบางครั้งบางเวลามันก็อาจจะไม่ง่วงขึ้นมาของมันก็ได้ มันไม่ง่วงอย่าไปบังคับให้มันง่วงก็ไม่ได้อย่าไปอยากให้มันหลับมันก็ยิ่งทําให้เราเครียดยิ่งนอนไม่หลับเลยหรือถ้ า, าไม่ลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็นอนสมาธิไปก็ได้นอนไปแล้วก็ดึงลงไปครับเดิสนสวดมนต์ไปเดี๋ยวมันก็เดี๋อวมันก็หลับเองถึงเวลาแต่เขาําทันอยากไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากมันยิ่งไม่หลับ ก็สวดไปเรื่ยๆมึงจะหลับก็หลับไม่หลับก็ไม่ว่าไม่ว่าไม่ไมไมมหลับมุก็สว ด, ดมุไปเรื่อยๆดู่มไปเรื่อยๆยังมัุก็หลับเองมีคนถามต่อพอดีเลยครับการนอนไม่หลับกินยานอนหลับจะทําอย่างไรให้ทุเลาลงคะพยายามนั่งสวดมนต์และฝึกนั่งสมาธิอยู่คะ่ะก็อย่างที่บอกว่าเวลากระสาเหตุของการนอนไม่หลับเพราะว่าเราคิดมา ก, กมีต่อกังวลอะไรเรื่องราวต่างๆ แล้วนอนก็นอนคิดอย่างนั้นก็าหาวิธีหยุดความคิดด้วยการสวดมนต์ไปก็ได้นอนสวดก็ได้ดูลองหายใจไปก็ได้แต่อย่าไปอยากให้มันหลับแล้วกันเพราะความอยากให้มันหลับเนี่มันจะเป็นเหตุที่จะทําทให้ไม่หลับมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกิเลสมันเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับเราพอใจเราไม่สบายมันก็หลับไม่ได้ยังเราก็สวดไป ดูลงไปจะหลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรถ้าเราทำอย่างนี้ไปโดยที่ไม่มีไม่ไม่หวังให้มันหลับในแนวพระนิพ า, ายังไม่หลับก็ขอให้ดูลงไปหรือขอให้สวดหมดไปในใจไปเรื่ อ, ๆอยๆเดี๋ยวมันก็หลับเองคุณลับพินนันครับ อรูปฌานกับรูปฌานที่อริยบุคคลชั้นอนาคามียังติดอยู่หมายถึงติดอย่างไรเจ้าค้าช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะก็ติดเหมือนกับตอนที่ท่านฝึกสมาธินะท่านก็ยังใช้เวลาที่ท่านอยากจะทำใจให้สง บ, บท่านก็ยางจ้องเข้าสมาธิอยู่เพอใจท่านจะมีสังโยที่สร้างสร้างความไม่สง บ, บ, บให้กับใจได้อยเช่นอุทาจานะอะไรพวกนี้ เวลาเจร kan, ิญปัญญามากๆจิตก็จะเกลายมาพึ่งสร้างขึ้นมาถ้าท่านเข้ารูปฌานได้ท่านก็จะเข้ารูปฌานถ้าท่านเข้ารูปฌานได้ท่านก็เข้ารูปฌานอันนี้แล้วแต่ความสามารถในขั้นสมาธิซึ่งอาจจะบางท่านอาจจะได้แค่รูปฌานก็ได้มีบางท่านอาจจะได้อารูปฌานก็ได้อย่างได้อย่างหนึ่งท่านก็จะใช้สมาธิในรูปแบบที่ท่านท่านเข้าเข้าได้ เาลูกประชานได้เหมืกันมันก็ยิ่งสงบยิ่งละเอียดลำบขั้นรูปประชานคุณจ้าจ้าครับเมื่อปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเช่นออกบวชถือศีลแปดเวรกรรมบางอย่างไม่ต้องใช้จริงไหมคะเวรกรรมนั้นเป็นการเป็นกรรมใหญ่ๆได้ไหมคะมันต้องใช้หมดกรรมใดที่เราทําไหมจ้าก็เลยเราก็ต้องใช้แต่ว่าเมื่อหลายครั้นี้ การทำบุญปฏิบัติธรรมนี่มันเปการสร้างสร้างบุญที่ซึ่งซึ่งอาจจะสามารถมาต้านไม่ให้บาปมันแสดงผลก่อนมาได้ทั้เนเองแต่เมื่อถึงเวลาที่มันจะแสดงผลก็ห้ามมันไม่ได้คุณมาริษาครับการเรียนถามพระอาจารย์เรื่องวัตถุมงคลและของขลังที่มีมากเกินความจำเป็นและเกินการดอยู่ทั่วสังคมทุกวันนี้อย่างกรณีพระ คนไฟชาวพุทธส่วนมากเป็นพุทธตามบัตรประชาชนเพื่อเป็นวิทยาทานขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะก็เป็นความเชื่อนะครับเชื่ อ, มองมงายไม่ได้เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งให้สร้างวังพุทธรูกไว้บูชาพระเจ้ธธาสอนให้ปฏิบัติบูชาเป็นเครื่องบูชาด้วยการปฏิบัติตามคําสักส์กับสอนกับพระพุท ธ, ธเจ้าเนื่งองจาก ศรัทธาชาวพุทธเงมันไม่ชอบปฏิบัติกันก็เลยหาวิธีมาบูชาก็เลยเกิด อ, อาคารสร้างห้องทะลุต่าในวิธีบูชาขึ้นมาแล้วก็เชื่อกมต่าเป็นแล้วก็มีเรื่องมีลามามาเสริมม า, มาแต่งให้เห็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งวิเศษไปสร้างแล้วทําให้นําภัยรวยให้ออกโลกก็ชนะโลกอะไรทําสงครามก็ชนะสงคราม มันก็กลายเป็นของที่กลาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัศจรรย์ขึ้นมาเลยอันั้นที่ไม่มีการพิสูจน์ได้โดยตรงว่าสร้างนี้เราได้อย่างนี้นะไม่มีหรอกแต่ว่ามันเป็นเหตุบ้างเลยที่มันอาจจะมันจะได้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะมาสร้างอันนี้ขึ้นมามันก็ได้ไม่สร้างมันก็ได้ครับพระอาจารย์ครับพวกชาวตะวันตกที่เขาเข้ามาทางมาม า, มาพูดที่เขา ไม่ติดไม่มีพวกนี้เลยนะครับอาจารย์ได <dunno, S 3> ้เพราะเข้าเข้ามาทางพระไตปิฎกมาเข้าอ่านหนังส <different>, <sh> ือเยอะอยกพระไตรปิฎกแล้วพระไตรปิฎกนี้เขามีแปลเป็นหลายภาษาต่างนะเขาจะศึกษาพุทธศาสนาก็ศึกษาจากพระไตรปิฎกเลคุณนริมนครับพระอาจารย์คัดทาอย่างไรหนูจะหายป่วยซึ่งเป็นการเกิดอุบัติเหตุค่ะก็ยังมาเกิดเกิดถ้าไม่ยัต้องป่วยก็จะมาตายนะ หายแล้วก็เป็นอีกไม่มีใครที่จะไม่ไม่ไม่เป็นหายหายป่วยข้างนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องป่วยข้างในเพางั้นวิธีที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ก็ยอมป่วยนะอันนี้มันป่วยก็ปล่อยมันป่วยไปอย่าประยากให้มันหายถ้าประหยาดให้มันหายมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเรายอมยอมป่วยมันเราจะไม่ทุกข์จะป่วยจะจะทุกข์ที่ร่างกายแต่จะไม่ทุกข์ที่ใจ คุณแต้มสีครับตนเองเป็นโรคจิตเวทค่ะชอบดึงผมเวลาเครียดและควบคุมตนเองไม่ได้เวลามีความเครียดมากๆมีคนแนะนําให้บีบลูกบีบบริหารมือแทนจะเลิกดึงผมได้อย่างนี้เรียกว่ายังฝึกจิตไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วต้องฝึกสติเยอะๆใช่ไหมคะใช่ใช้พุโทโธดีกว่าหัดฝึกพุทโธดีกว่าผมพุทโธเป็นของง่ายนะเพราะว่าพุโทโธก็เป็นความคิดแบบ เราคิดทั้งวันได้คิดเรื่องอื่นได้ทำไเเรามาคิดพูดโธไม่ได้นอหาเวลาบ่างสักห้านาทีสิบนาทีพุทโธอยู่ย่างเดียวด้วย <c oughs> ฝึกไปก่อนคุณราวันครับการที่เราทำบาปมามากเกิดอาการกลัวเราควรปฏิบัติทำอย่างไรบ้างคะที่บาปจะน้อยลงครับมาทำให้น้อยลงบาปใหม่ทำให้น้อยลงมันก็ไม่เพิ่มปริมาณของบาปให้มากขึ้น แบบที่เราทำมาแล้วเราทำลดมันให้ลงไปไม่ได้แต่เราการไม่ให้มันมีมากขึ้นได้การไม่ทำให้มันมากขึ้นก็เหมือนก็ทําให้มันน้อยลงใช่ไหมวิธีเราจะมองอยังไงนั่นเองคุณลวิวรรครั บ, ร บ, รรบทำสมาธิต้องมีครูหรือไม่คะถ้าฟังพระอาจารย์และทำตามจะสามารถไปถึงจิตรวมได้ไหมคะเคยเรียนอยู่สามเดือนทุกสาร์าิ์แต่ก็ไม่ไปไหนคะ่ะ ก็เนี้ยแหลการฟังนี่ก็เป็นการเรียนมาในตัวแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูแค่นี้ที่ฉันได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้เรียนมาได้หรไม่อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสติแล้วเราทามากพอหรือไม่ด้วยอย่างนั้นมันมันอยู่ที่การเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ไปปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องผลมันก็จะเกิดขึ้นได้ขึ้นได้ง่ายได้เล็ว ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติน้อยมันก็ อ, อาจจะไม่เกิดหรือเกิดเกิดขึ้นมาได้อย่างช้ามากคุณเดน n ิว o f ฟิเชียลครับควรทำอย่างไรกับเจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาในชีวิตเจ้าคะก็ <c oughs> แผ่เมตตาไปทันเองก็ให้มีความเมตตาต่อเขาอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่กับเขายอมรับยอมรับกรรเก่า ถ้าเขาจะมาทำร้ายเราหรือมาสร้าอะไรเสียหายเราแล้วก็ให้อาภายัยเข้าไปแผ่เมตตาวยการกระทําคือให้อาภัยไม่เถื่เทอาก่อเครื่องกันคุณลวิวันครับขณะที่ทำสมาธิจะต้องไม่มีการกลืนน้ำลายเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่เพราะว่าถ้าเป็นการกลืนน้ำลายนี่ก็จิตก็ยังต้องมาทำงานกับร่างกายอยู่จิตก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ การเข้าสู่วสความสงบนี้จิตต้องปล่อยวางเรื่องร่างกายไม่ไปแตะไม่ไปตะไม่ปไปทํำลายกับร่างกายพอนั่งพอเราเริ่มนั่งสมาธิแล้วก็อย่าไปยุ่งกับร่างกายให้เรายุ่งอยู่กับใจให้อยูอย่กับการเจริญสติเองอย่างเดียวจะพูดโทรไปก็ได้จนรวมไปก็ได้ถ้ารู้สึกว่าน้ำลายจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวเลิ่แล้เราค่อยมาเช็คก็ได้ คุณมาลีครับกับเรียนถามพระอาจารย์การที่เรามุ่งหวังนิพพานใช่กิเลสไหมเจ้าคะไม่หรอกเขาเรียกว่าเป็นธรรมเป็นอธิษฐานเนี่ยแล้วต้องมีความตั้งใจว่าเราจะไปไหนเราไปเราต้องตั้งเป้าของการการเดินทางของเราชีวิตเราเ ป, เป็นการเดินทางตอนนี้กิเลสมันตั้งให้เราไปมุนเวียนว่ายตายเกิดในตายพบด้วยการกระทําตามความอยากตามต่างๆเราก็ต้องตั้งเป้าใหมว่า ต้องการจะออกจากตายภพจะไปที่นิพพานเราก็ต้องมลั ก, กิเลสหน้าตัณหาลัาความอยากต่างๆคุณกิติพงศ์ครับปุตุชนกับคารวาแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันครับคํำว่าปุตุชนนี่กับคารวาส์นี่มันก็ละความหมายต่างคารวาส์นี่เป็นหมายถึงผู้ครองเรือนส่วนนักบวชนี่เขาเรียกวรนปรชิตเช่นพระ สงฆ์แม่ชีพวกนี้เขาเรียกว่าบัณฑิตเป็นผู้นักบวชมีอาชีพเป็นเป็นนักบวชธรรมาหากิงด้วยการาากเป็นธรรมะอะไรของเรานี่ยส่วนบุตุชนนี่คือความหมายเขาผู้ทีย่ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นโลกุตธรรมะคือขั้นอริยมรรคอริยผลยังไม่ได้เป็นพระอริยเราก็เรียกว่าบุตุชนผู้ที่ได้เป็นพระอริยะแล้วเราก็ไม่เรียกว่าเป็นบุตุชนนะ เ ป, เป็นพระโสดาบันพรสกิทาคารีพระนา ค, า, า, น า, ค า, ารีพระหลานในพระริยะมีอยู่สี่ระดับด้วยกันถ้าได้เข้าสู่ระดับภ า, าริยะแล้วก็ไม่ได้เป็นปุทุชนแล้วเป็นพระริยะคุณแต้มสีครับดิฉันเกิดเป็นคนกรุงอยู่แต่ในเมืองถ้าต้องการบวชชีไม่สึกอยากให้พระอาจารย์แนะนําว่าควรบวชในวัดป่าหรือวัดในเมืองกรุงดีคะ หลวงตามหาบูรเคยสอนว่าการอยู่ในเมืองไม่เอื้อมนวยต่อการบรรลุธรรมแต่พระบางรูปก็แนะนำว่าเป็นผู้หญิงอยู่ใกล้พระก็ไม่ค่อยดีเพราะยังมีกิเลสและแม่ชีอยู่ด้วยกันก็มีขัดแย้งกันครับถ้าเขาด้านนาำนีนำ้ก็ไปบวดไม่ได้มีมีวันที่เขามีการควบคุมพระกับแม่ชีเขาไม่ให้ไปอยู่ใกล้ชิดกันก็มีแยก ยากสั์เป็นส่วนเป็นเขตเขตไปเขตแม่ชีเขตของของผู้หญิงนี่พักเข้าไปไม่ได้นอกจากถ้ามีกิจจำเป็นเข้าไปก็ต้องมีพระเป็นเพื่อนเข้าไปด้วยไม่ใช่ฮห้นึกอยากจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็เข้าไปได้สํานักปฏิบัติธรรมสายวัดป่านี้เขาจะแข้งม้วนกวดขั้นเรื่องวิธีปฏิบัติกับศีกามากกับพระกับศีกาใน้ท่านอยละวัตระวังมากส่วนใหญ่นี่ อ่จารย์อนุญาตแต่พระที่เป็นพระเถระพระผู้ใหญ่ที่มีพัรษาสูที่มีคุมค้มคุ้กันสูงถ้ามีกิจุระที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่สําหรับพระใหม่พระบุตรใหม่นี่ท่านจะา ก, กาันไว้ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวเลยแล้วก็ถ้ามี ม, ม, มีกิจธุระมีอะไรเรื่องต้อคุยกันก็อาจจะ้อเรียกว่าคุยนที่ศาลาในที่ไม่ที่ที่เป็นสาธารนณะที่ไม่ใช่เป็นที่ที่รับที่ รับหูรับตามีขั้นตอนไม่ไมต้องขมวนถ้าเป็นวัดที่ดีวัดที่ดีเขาจะมีขั้นต อ, อนของการปฏิบัติเเดียวทวกแม่ชีจะอยู่ที่ไหนแม่ชีก็ต้องใส่ผ้ า, าเป็นครูบาจารย์สั่งสอนนอกจากก็ถ้าเป็นแม่ชีที่มีหัวหน้าที่เป็นพระอริยะอย่างเช่นแม่ชีแก้วนี่เป็นแม่แก้วท่านก็ไปสร้างสนักชีวนั่นเองได้ท่านมีพลังท่านเป็นพระอริยะ จะรู้จักวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก็เราก็ต้องไปหาสำนักถ้าเราบดชีเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวีนมายตายเกิดเราก็ต้องไปหาสำนักชีเรื่องพระหรือวัดที่มีการสอนให้มีการปฏิบัติและมีความเคร่งครัดในเรื่องธรรมเอาิว้ไหนอาจารย์ครับสมัยหลวงตานี่ที่บ้านตากมีมีชีไหมครับอาจรยมองค์เดียวและแม่ของกัานอ๋อมีองค์เดียวอ ท่านไม่ให้นุญาตให้บวชชีคนเดียวท่านให้อยู่ประจำให้อยู่ตามมาอยู่แบบชั่วคราวแบบเป็นส่วนใหญ่เป็นเป็นอุบาสิกาเป็นญาติโยมที่ยังจะมาฝึกขัดปฏิบัติธรรมก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของของของผู้หญิงให้ใหไปแต่ที่อยู่ประจำนี่ก็ท่านอนุญาตให้แม่แม่ท่านองเดียวทา่านอง เพรานั้นก็จะให้มาแบบมีอยู่ช่วคราวเพราะท่านไม่อยากจะมาปกครองเรื่องไม่ชีเพราะไม่ชีนี่มักจะมีปัญหากันเยอะเวลาอยู่โลกมกัครับและที่เกิดธรรมะชุดเตรียมพร้อมนี้ก็คือที่อันนี้ก็กมี ย, ย, ย่านโยมคนหนึ่งเป็นรอบอะไรเงยขั้นที่สามนะแล้วท่านยังอะไรสมมติว่ารักษาก็ไม่หมอเขาให้เวลาแค่หเดือนต้องว่าจะอยู่ได้แค่ เธอก็ได้ตัดสินใจว่าอยากจะไปพึ่งทางธรรมดีกว่าเพราะเธอก็ได้ศึกษาธรรมมาพอสมควรแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นนั่นเองทีนี้ถึงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวขึ้นสนามสอบเนาะก็เลยไปติวเข้มไปที่วัดาตางเมตตาไปขอควาเมตตาจากหลวงตาให้ช่วยอบรมจิตให้หน่อยหลวงตาท่านก็เมตตาไปอบรมทุกคืนเยกเว้นคืนที่ท่านมีภารกิจที่ต้องไปทำอย่างอื่นท่านก็จะไม่ได้ไป รู้สึกว่าท่านไปอบรมสอนประมาณทักเ้าสิบคืนด้วยกัน <S 2> <S 2> <S 2> แต่เธอไปอยู่ประมาณสามสีเ่เดือนสี่เดือนได้พอเลยเป็นเป็นปีที่เราไปอยู่วัดป่าวาดตาลปีเดียวกันเลยหลังปี518เราไปตอนต้นปีเธอไปตอป่อปลายปีตอนที่ออกพรรษาแล้วตอนที่รู้สึกอย่เป็นเดือนพฤศจิกาเราเข้าว่ปาป่าวัดตาลเดือนเมษายนแต่เราไม่เคยเจอตัวแกเลยนะ แล้วข้อยู่ของเออยู่ในส่วนของเธอไปท่าไม่เคยออกมามันเกี่ยวข้องกับทางที่อยู่ที่ศาลาเรื่องอะไรครับอย่างหลวงตาครับเวลาหวงตาเข้าไปนะหลวงตาก็จะมีพระผู้ใหญ่พระหรือท่านปัญญาไปด้วยเพราะท่านปัญญาก็จะไปช่วยอัดเทพให้ด้วยครับคราบปัญญาก็หยอกเครื่องอัดเทพไปเวลาหลวงตาเข้าไปข้างในก็ยังต้องต้องมีพรติดตามด้วยไม่เข้าไปตามหลวงังครับผม ชุดนี้ผมได้ฟังครบเก้าสิบตอนเลยครับมาจรยเข้มข้นเลยนะไหมถ่าจะพูดแต่เรื่องภาวนาเป็นส่วนใหญ่นอกจากบาวันถ้าเป็นวันเสาร์ที่อยาก จ, จะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเป็นคนที่ยังไม่ปฏิบัติท่านก็อยากพูดเร่งทานเรื่องสิ่งบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะสอนเรื่องวิธีปฏิบัติกับทุกเวทนากับเรื่องของความตายเป็นส่วนใหญ่ จากคุณป้าปณตตาครับพระอาจารย์คะหนูนั่งสมาธิแล้วหลับคํานับฟ้าดินตลอดค่ะขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะว่าหลับแบบนี้การนั่งสูญเปล่าหรือไม่คะถ้านั่งหลับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ผลอะไรนั่งต้องนั่งแบบมีสติแต่เมื่อไม่จะไม่สงบอย่างนั้นก็ได้ฝึกสติไปบำเพ็ญก่อนแต่ถ้านั่งหลับนี่ก็ไม่มีสติเลยก็มอนก็นอนหลับ มีคุณัญญณีบอกว่าอุ่นใจสบายใจมากที่มีพระอาจารย์นำทางนะครับชีวิตสงบลมเย็นมากขึ้นครับมีญาติโยมมาทําบุญบอกว่าติดติดตามรายการของคุณหมอวีถึงมาถึงมาทําบุญเพราเมื่อก่อนนี้มีแต่ติดตามเรื่องเรื่องสุขภาพแล้วตามมาคุณหมอวีเขาเาเรื่องธรรมะเข้ามาแทรกด้วยเขาก็เลยรู้จักเราเขาก็เลยอยากจะมาฟังเทศสัมธรรมมาทำเทวทิวัต ออกอนมาเล่าให้ฟังอยู่เรืยมาผู้หมอวีมาผ่า <c oughs> ทางหมอวีมา <c oughs> โอ้ครับคุณพระอาจารย์เมตตาครับผมเลยได้มีโอกาสให้ไ ด, ไ ด, ได้มีคนอีกหลายคนที่เขาได้มีโอกาสมาฟังพระอาจารย์เลยครับพ <c oughs> ระอาจารย์ก็ <c oughs> ดีนะความจริงชีวิตเรา ม, มันมีสองส่วนใช่ไหมมีร่างกายแล้วมีจิตใจร่างกายก็มีความทุกข์ของร่างกายจิตใจก็มีความทุกข์ของจิตใจ คุณหมอวก็มีความรู้ทางร่างกายก็สอนวิธีบําบัดทุกทางร่างกายไปถ้าจิตใจก็ต้องมาใสายการสอนาธรรมนี้มาแสดงเขาเพื่อเขาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับกางวิธีบําบัดทุกทางใจไปด้วยจะได้สมบูรณ์คุณริดดิงอาบุกครับเวลาสงบความยาวลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกจะยาวเท่ากันถูกไหมครับ ถ้าจะเท่ากันนะเราไม่เคยวัดทันทีไม่ต้องไปสนใจมันจมันจะเท่าไม่เท่าเพราะมันเข้าไปเท่าไรมันออก็เงบกเท่านั้นแหละใช่คุณแต้มสีครับกรรมใดที่หนักกว่าจะส่งผลกับชีวิตก่อนมีสอนอยู่ในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะบางคนจะเกิดมาในชีวิตที่แย่ในช่วงต้นดีในช่วงปลายบางคนก็ชีวิตดีในช่วงต้นบ้านปลายลาบาก ก็มันก็เราก็ไม่ไม่ไม่เคยวิเคราะห์เรื่องกรับเท่าไหร่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันดีที่สุดพอไปด้วยไม่ค่อยบางทีเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการภาวนาเนี่ยไม่ค่อยไปสนใจเท่าไหร่ยอมรับตามสภาพไปคุณเดนิวซอฟิชเชียลครับเมื่อไม่มีทุกข์และไม่ต้องใช้สติและปัญญาแล้ว จิตจะอยู่กับความว่างเป็นหลักคล้ายกับในสมาธิหรือเจ้าคะก็อาจจะคิดได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไดแ้แต่ไม่ได้คิดแบบช่างคิดแบบเพื่อที่จะก่อให้เกิดความอยากเรื่อๆต่างๆเหล่านั้นบางทีก็คิดวิเคราะห์เหตุบ้านการเมืองได้วมาเหตุบ้านการาเมืองเป็นอย่างที่เป็นอย่างไรก็คิดไปตามเหตุตามผลเป็นเหมือนนักวิชาการไปคิดแบบนักวิชาการ ถ้าจะให้จิตมากบางทีก็้องนั่งสมาธิทั้งหลับตาให้ให้มันนิ่งคุณบัญชาเมาครับนั่งสมาธิครั้งละหนึ่งถึงสองชั่วโมงตัวที่คิดกับตัวที่รู้ว่ากําลังคิดแล้วกลับมาดูลมหายใจนี่ตัวเดียวกันหรือเปล่าคะก็ตัวสติไงตัวสตินี่ก็เป็นตัวที่นึ่งตัวรู้ให้มารู้เรื่องนั้นนึ่งรู้เรื่องนี้อยู่ที่ตัวสติ ถ้าไม่มีสติกิเลสมันก็จะเด็กให้ไปรู้เรื่องของกิเลสพอเราพอเรารู้ว่าเราเพลิน้องไม่มีสติให้กิเลสลากไปรู้เรื่องของกิเลสเราก็ใช้สติดึงกลับมาใช้พุโทโธพุโทโธเดึนกลับมาคุณอุไรพรครับเลิกงานดึกกว่าจัดเสร็จทุระส่วนตัวงานบ้านได้สวดมนต์ทำวัดเย็นประมาณสี่ห้ทุ่มจะดึกไปหรือเปล่าครับไม่เราเวลาไหนก็ได้ขออนุญส่วนเถอ ส่วนเวลาไหนส่วนที่ทํางานก็นได้ช่วงไหนที่เราว่าคุณอีฟครับการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ทําไมถึงยังไม่บรรลุธรรมถึงขั้นพระอาหารหันได้เจ้าคะก็เพราะคำว่าโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ยังแสวงหาการบุษย์ธรรมอยู่นั่นเองยังหาทางไม่ครบยังหาทางไม่เจออย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นพระโพธิสัตว์หาทางมาหลายภบหลายชาติ จะมาเจอก็นในพบชาติสุดท้ายนี้คือจะได้เจออย่างสมบูรณ์ท่านก็เจอเป็นส่วนๆไปพบหนึ่งท่านเป็นพระเวสสันดรท่านก็เจอเจอทานซึ่งเป็นองค์ประกอบของมรรคท่านก็เจอท่านก็สร้างมรรคไปเรื่อยๆแต่ท่านขาดตัวสุดท้ายคือปัญญาอันที่สุดท่านก็มาพบท่านก็มาสร้างปัญญาในพบชาติสุดท้ายนี้พอได้ปัญญาครบ สมาธิท่านก็ได้แนะอะไรก็ได้แล้วก็ขาดปัญญาเพอได้ปัญญาภาพมันก็ทําให้มีพลังที่จะบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์ได้ขึ้มาคุณวิจิตครับเริ่มแรกสุดตัวเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้จะเกิดมาแต่ธรรมชาติก็สร้างให้เราเกิดมาแต่พอเราเกิดมาแล้วและไปทําผิดก็กลายเป็นสร้างบาปคิดแล้วเหมือนไม่ยุติธรรมเลยครับขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้หน่อยครับ การเรามาเกิดนี่ไม่ได้เป็นธรรมชาติทําให้เรามาเกิดเนามันกิเลสของเราที่ทําให้เรามาเกิดแล้วเรากอาศัยการผลิตร่างกายของธรรมชาตินี้เราเข้ามาครอบครองร่างกายที่เกิดจากธรรมชาตินี้นั่นเองนะพอเรามาเกิดแล้วเราก็มาทําตามความอยากของเราที่การที่จะทําอะไรตามความอยากของเราบางทีก็ทําให้เราทําบาปเราถึงจะได้นะว่าเราก็ทับ คามจริงถ้าเรารู้ว่าทําบาปแล้วมันไม่ไม่ดีไม่ควรจะทำํำเราก็ไม่ทําก็ได้แต่บางทีเราไม่รู้กันเราตอนนั้นเราพอเราอยากอะไรแล้วใจเราไม่มีความสงมบใจเราวุ่นวายแล้วเราก็ต้องพยายามดื้อนลนหาสิ่งที่เราอยากได้มาถ้าจะต้องหาโดยวิธีที่ทําบาป ก, ก็อาจจะทําก็ได้ถ้าเราไม่มีจิตสํานึกที่ดีถ้าไม่เคยมีการปลุกฝังว่าการทําบาปนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา เราก็จะทำบาปเพื่อที่เราจะได้สิท่งที่เราต้องการนั่นเองมันก็เลยการเป็นมนเกิดแล้วก็มาสร้างบาปกันเพราะความอยากของเราเองเนี่ยอยากได้ราภยุศสรรเสริญศักัน์กันทุกคนเนี่ยทุกวันเนี่ยที่วิ่งหากันหาอะไรก็หาราภยศสรรเสริญสักดิ์กันที่บางคนก็หาวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมบางคนก็ หาแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไ ม, ไม่ได้ก็ลแล้วหาแบบวิธีโกงวิธีผิดศีลธรรมผิดกฎหมายคุณหาไทยชนก ค, ครับเรียนถามผ้าจารย์ครับการวางใจในการดูแลพ่อแม่อย่างไรควรวางอุเบกขาเมื่อไหร่ทั้งเรื่องการกินการฝึกจิตใจหรือเราผิดที่ไปคาดหวงังให้เขาทําในสิ่งที่เราคิดว่าดีหรือเราก็ต้องกลับมาฝึกจิตเราต่อคะใช่เรา เราควรที่จะมีขอบเขตของการทำหน้าที่ของเราคือหนึ่งเราควรจะทําทตัวเราเป็นคนรับใช้พ่อแม่เราเชิดชูพ่อแม่ยกให้ท่านเป็นผู้ที่สูงกว่าเราเป็นเจ้านายเราเราเพียงแต่มารับใช้เราไม่ใช่มาเป็นเจ้านายพ่อแม่มาคอยสั่งให้พ่อแม่ทําอย่างนั้นกินอย่างนี้อย่าทําอย่างนู้นอย่าทําอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ทางวิธีที่ถูกสําหรับลูกที่จะปฏิบัติต่อพ่อแม่ คอยดูแล พ, แพ่อแม่พ่อแม่ต้องการอะไรยีบหามาให้ถ้าเป็นสิ็จที่ท่านจําเป็นที่จะต้องมีอะไรอย่างนี้คอยรับใช้ไม่คอยถามท่านอยากจะได้อะไรต้อการจะใช้หึือทาอะไรต้องทำตัวให้เป็นคนรับใช้ไม่ใช่แบบเป็นเจ้าดายพ่อแม่ส่วนใหญ่ลูกจะลืมถือตัวไปติดที่สายความเป็นอีก้ไม่มากมีอัตตาตัวตนมากลืมพ่อแม่แบบว่าพ่อแม่ท่านเป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่สูงกว่าเราหรผู้ที่เราต้องยอง่อมยอมแทบชูนไม่ใช่เป็นผู้ที่จะมาสั่เกับเป็นลูกของเราไม่ได้เราต้องปรับความเข้าใจให้ให้ถูกต้องก่แล้วเราถึงจะดูแลพ่อแม่ได้ดีคุณอุปฤติครับเดินจงกรมแล้วจิตหยุดคิดนี่คือเกิดสมาธิใช่ไหมครับก็อยื่นานไหมล่ะถ้ามันหยุดแป๊บเดียวมันก็เป็นสมาธิปแป๊บเดีย ว, วต้องให้มันหยุดูด่นาน คุณเจครับการน้ัสรรการเจ้าค่ะดูข่าวเรือล่มแล้วเครียดสงสารทหารนึกถึงตอนที่ต้องลอยคอแบบเดียวดายจะวางใจให้ไม่ทุกข์ใจตามยังไงคะก็ไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของเขาเราเราไม่ได้อยู่ในานา้ําอยู่ในในลอยคอเขาเราจะไปไปเอาจริงเอารจริงนะก็เหมือนกับเราดูดูภา พ, พ ย, ายนตร์ไปแล้วกันที่เราดูภา พ, พยายนต์ไปนั่นเป็นการชนะอีกอย่างหนึนน่งเช็นรถ เป็นภาพยนต์นชีวิตของจริงเป็นสิ่ที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีใครห้ามมันได้ถ้าเราเกิดอาการสงสารเราอยากจะให้มันหายไปทุกข์ใจเราก็ต้องใช้สติอย่าไปอิ่กับมันอย่าไปเอนดึงใจออกจากเหตุการณ์นั่นหรือการใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่าไปดูดูว่ามันทําให้เราเครียดก็อย่าไปดูมันนะถ้าเรายังไม่มีปัญญาที่จะดูแบบ ปัญญาดูแบบปล่อยว่างเราก็อยากไปดูถ้ามันเรื่อเครียดเราก็หยุดดูแล้วก็กลับมาพูดถ่พูดถ่เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่เราได้เห็นได้ดูความเครียดมันก็จะหายไปอย่างนี้ถ้าดูแบบปัญญาก็ได้ประโยชน์เกิดขึ้นไหมครับอาจารย์ครับได้ก็อกว่าเราจะเหตุการณ์อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เราต้องรีบทําเตรียมตัวรับต่อเหตุการณ์นั้น ทีนี้รับกับเหตุการณ์แบบไม่เครยก็ต้องฝึกสมาธิฝึกฝึกปัญญากันฝึกสติกัน ค, คุณแต้มสีครับดิฉันเคยดูดวงไพ่ยิบสีตนเองไพ่ขึ้นว่าถ้าได้บวชชีมีโอกาสจะบรรลุธรรมดิฉันก็อยากบวชแต่กลัวความลำบากโดยเฉพาะหากเราป่วยด้วยโรคร้ายแรงในบ้านปลายแล้วไม่มีเงินค่ารักษาและยังอยากรู้เรื่องต่างๆในโลกแสดงว่าถูกกิเลสหลอกใช่ไหมคะใช่ เราไม่คิยว่าเราเจ็บข้าได้ป่วยได้แต่้าแลวเราไม่คิดว่าเราก็ตายได้เหมือนกันไม่ต้องไปกลัวหรอกถ้าถึงเวลามันจะตายก็เราให้มีใครมาดูแลเราดีขนาดไหนมันก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเราต้องต้องเจ็บมันก็ต้องเจ็บอยู่ดีไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีใครมาดูแลมีการรักษาหรือไม่รักษาป่อยให้ทำมาเป็นผู้จัดการได้คำเหล่านั้นอยู่ไปตามดีตามเกิดอยู่ไม่ได้ก็ตาย เรักษาไม่ได้ไม่หายก็หยุดพุมันไปถ้าเราฝึกจิตดีแนละ้วเราจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นกวาตายของร่างกายคุณนาวาครับช่วงไม่สบายทําไมถึงหงุดหงิดง่ายกว่าปกติคะยิ่งกับคนใกล้ตัวดูเหมือนอุเบกขาจะน้อยลงทั้งที่ก็ปฏิบัติธรรมเหมือนทุกวันคะ่ะต้องแก้ไขอย่างไรคะเพราะว่าเราใจของเราหาความสุขจากร่างกาย เวลาล่างกายสุขเราก็มีความสุขตามร่างกายไปพอร่างกายทุกใจเราก็เลยเงียบเงียบทุกตามร่างกายไปเป็นธรรมนาแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่อาศัยร่างกายให้ความสุขกับเราเช่นเราอาศัยความสมงบการปฏิบัติทําให้ความสุขกับเราเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เงียบแล้วก็จะเฉยเฉยนี่เป็นระโยชน์ของการฝึกสมาธิปฏิบัติทัน มันทำให้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งข้าวของไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆก็จะอยู่ก็จะไปก็จะดีจะช่วยกัเราเราจะไม่เหนื อ, อยร้าเพรเราสามารถหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมของเราได้คุณแบมแครับขอพ้าอาจารย์เมตตาอธิบายการผ่อนสั้นผ่อนยาวในการปฏิบัติและพักก่อนให้กลับมามีกําลังคือควรทําอย่างไรคะ ว่าบางครั้งเรามีกําลังมากที่จะปฏิบัติได้มากเราก็ปฏิบัติมากบางครั้งเรารู้สึกว่ามีมีอุปสรรคมีเรี่ยวแรงน้อยมีไม่ค่อยสบายเรื่ อ, อะเหล่านี้เราก็ต้องปรับให้เข้าตามกับสภาวะของร่างกายเราอเของตัวเราแต่ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามรักษาระดับให้มันให้มันสูงไม่เรื่อยเรื่อยอย่าให้มันตกต่ำ แต่บังค่ามัางค่ า, า, ามันอาจจะมีเหตุสุดวิสัยนี่ทําให้เราไม่สามารถรักษาระดับัได้ต้องลดเพดานลงมาเราก็ต้องลดไปชั่วคราวแต่พอเราเหตุาการณ์กลับมาเป็นปกติได้เราก็กลับถักดานมันให้กลับขึ้นไปนสู่จุดที่เราเคยอยู่ได้ต่อไปต้องมีการปรับบ้างคุณคือริพรครับ กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเวลาเรานอนสามารถเปิดธรรมะฟังเวลานอนไปด้วยเราจะบาหรือเปคะไม่บาปหรอกแต่ อ, า, า, า, า, นอน า, าจะอจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเพราะเวลานอนฟังแล้วมันสบายเราจะเคลิบหลับไปบางจะไม่ได้ประโยชน์จากการฟังคุณเดนิลส์ออฟฟิเชียลครับถ้าเป็นคนที่ติดทําอะไรเร็วจะสามารถจเจริญปฏิบัติได้ดีไหมเจ้าคะ่ะ มันก็มันก็อยู่ที่ชาเร็วมันไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราจเจริกสติ ด, ด้านนึงไม่ได้คุณพมลิกิตครับกาเบเรียนถามพระอาจารย์ครับผมเคยอ่านเจอในพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ว่าถ้าให้ทานแกพระอารหันต์ที่ออกนิโรธสมาบัติจะรวยในชาตินี้จริงหรือไม่ครับไม่จริงหรอให้ทานกับใครก็ไม่รวยมีตัดจชน อคุณลงไปจากไปทั้งน้อยล้านถูงจะรวยขึ้นมาได้ไงจะทำให้คุณจนนะแต่คุณอาจจะรวยพบหน้าชาแนลกลัามาพบหน้าชาหนาจะเป็นได้รู้ได้รวยเป็นพันล้านก็ได้อันนี้แต่ไม่ใช่พบนี้ชาแน้แน่นอนจะมีแต่ยะยากจนลงไปเรื่อยๆคุณพิตตี้ครับปวดตึงหัวด้วยกรรมที่เคยทำมา ต้องแยกกายด้วยปัญญาและต้อ ง, อ ง, องทําจิตอย่างไรคะก็ทําจิตให้สงบนะฝึจิตฝึกส ต, ตพุทธพุโทโธนั่งสมาธิเวลาเกิดปวดตึงโขึ้นมาก็ชวนอิติปิโสไปก็ได้อยากปรยากให้อาการปวดหายไปเพราะว่าการอยากนีเน่เป็นการเอาจิตไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายเราต้องการแยกร่างกายแยกจิตออกจากกายเราก็ต้องใช้สติตแยก ใช้บทส่วนอีปิโสหรือบริการพุโทโธพุโทโธแล้วก็ปล่อยให้อาการปวดของมันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ต้องไปยุ่องอันนี้ยากด้วยด้วยสติถ้าพอเราแยกด้วยสติได้ขั้นต่อไปเราก็แยกด้วยปัญญาพิจารณาว่าอาการปวดหัวมันเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีการเจ็บ ม, มีการปวดเป็นธรรมดาเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะปวดก็ต้องปล่อยให้มันปวดไปถ้าเราไม่อยากจะทุก คุณวันธนีครับมีคนไม่หวังดีส่งรูปการทําไสยศาสตร์มาที่บ้านเราเราเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่สามีเชื่อสุดใจเขาก็หาเรื่องทะเลาะกันทุกวันจะวางจิตยอย่างไรดีคะหรือจะพูดบอกเขาอย่างไรว่ามันไม่มีจริงไสยศาสตร์เรื่องเหล่านี้ถ้าพูดกันไม่ได้ก็อย่าพูดเด็ดขาดการที่เรารยู่รอบการอย่างสันติสุกขก็คือเราต้องรู้จักสมนส่วนต่างระษานส่วนเหมือนส่วนที่เรามีความเห็นต่างกันก็อย่ามาพูดกัน พูกัแล้วเดีวก็จะทะเลาะ ก, กันเอามาพูดในเรื่องที่เรามีความเห็นเหมือนกันดีกว่างั้นบางเรื่องมนาะคุยกังไม่ได้ก็อย่าคุยก็อยากจะเชื่อก็ปล่อยก็เชื่อไปไม่ใช่เรื่องของเราคุณมณีนุชครับขอถามพระอาจารย์ค่ะเพื่อนๆแห่กันไปเชื่อพระที่ทักให้เปลี่ยนชื่อสกุลอ้างว่าชื่อนั้นไม่ดีเรื่องนี้ควรวางใจคิดอย่างไรคะเตือนพวกเพื่อนอย่างไรคะ ก็เปลี่ยนชื่อได้ก็ไปเปลี่ยนชื่อคนที่อยู่ในคุกสิเปลี่ยนให้มันเป็นชื่อดีจะได้ออกจากคุกกันให้หมดเลยครับ <Okay. S 1> <laughs> คนติดเขามีชื่อดีคนติดเยอะเหมือนกันนะชื่อมุยก็มีแย่ดีก็มีชื่อดีก็มีครับาไม่ได้อยู่ที่ชื่อหรอกคนเราอยู่ที่การกระทําดีช่วยอยู่ที่การกระทาไม่ได้อยู่ที่ชื่อ คุณบครับรู้สึกถึงระบบเลือดที่วิ่งไหลในร่างกายเวลาจิตคิดว่ารู้สึกก็จะรู้เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างไรต่อค้าในการฝึกเวลาดูลมหายใจก็รู้ลมเข้าลมออกก็รู้สึกถึงการเข้าออกครับไม่รู้นาะงบอกเลือดที่รคนรู้ได้ไมันไหลเวียนยังไงไม่ น, นี้มันเป็นความปรุงแต่จินตนาการไปหรือเปล่าขนาดหม อ, อยังไ <c oughs> ม่ใช้เครื่องหูฟังใช่มเวลาดูอะไรภายในร่างกายนี้ เป็นมอดูได้ในระบบเลือดที่วิ่งไหลในร่างกายดูไม่เห็นครับอาจารย์ครับคิดว่าเป็นจินตนาการของจิตมากกว่าดูในสิ่งที่เห็นกันเลยดูลมหายใจเข้าออกจะดีกว่าการดูนี้เพื่อให้เรามีอะไรยึดจิตใจของเราเพื่อให้ไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองตอนที่เราดูอะไรนี้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ นี่คือเป้าหมายของการดูอะไรต่างๆดูลองเข้าลองออกนี้หรือพุโทโธพุทโธนี่ท่านั้นเองคุณนิดาครับกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเคยได้ยินพระอาจารย์เทศว่าจิตเราตอนตายจะเหมือนตอนหลับถ้าตอนหลับฝันว่าทำไม่ดีกับผู้อื่นพอตื่นมามีสติแล้วกลับคิดว่าไม่น่าทำแบบนั้นเลยแบบนี้จิตตอนตายเราจะเป็นแบบในฝันหรือเปล่าคะแล้วก็จะฝันคล้ายๆกันอยนันนะ อันฟันที่เรามีตอนที่เรายังไม่ตายก็เป็นเหมือนหนังตัวอย่างพอตาย ก, ก็จะฟันในทํานองนั้นแต่เรื่องมันจะยาวขึ้นเหมืนกัไปดูภาพยนตร์จริงภาพยนตร์ตัวอย่างก็เอาแต่ไฮไลท์ของของภาพยนตร์มาให้เราดูแต่พอเราไปดูภาพยนตร์จริงมันก็จะมีอะไรมากมายที่เรายังไม่ได้เห็นคุณยวณีครับ การจุดธูปเทียนจําเป็นไหมคะถ้าไม่จุดผิดหรือไม่ถูกต้องอย่างไรครับมันเป็นส่วนของการบูชาดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องสักการะการบูชาแต่ทางพุทธ ท, ทางสายปฏิบัตินี่ท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ธูปเทียนดับไมในการบูชาให้ใช้การปฏิบัติบูชาเป็นหลักแต่ก็ไม่ห้ามถ้าอยากจะใช้ดอกไม้ธูปเทียนในการบูชาก็ได้ แต่ผลมันจะได้น้อยกว่าการปฏิบัติบูชาเท่านั้นเองคุณเหมียวครับกรรมฐานกับเจริญภาวนาต่างกันอย่างไรคะมันเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราใช้ภาษาต่างกันไปเหมือนกินข้าวกับรับประทานอาหารเนี่ยด้วยบริโภคเนีมันก็เป็นภาษาที่เราใช้แทนกันได้ กรรมฐานกับการเจริญภาวนาก็เหมือนกันไปปฏิบัติกรรมฐานไปนั่งกรรมฐานไปเจริญภาวนามันยึดความหมายก็คือเราไปฝึกสมาธิกับปัญญาฝึกสติสมาธิกับปัญญาเหมือนกันคําหมายของกรรมฐานที่แท้จริงก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการผูกมัดใจเราไว้ให้ลอยไปลอยมาเช่นกรรมฐานนี้หลายชนิดด้วยกันพวกอนุสติก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติที่ก็เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่เราใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปลอยลอยไปคิดเรื่องราวต่างๆอานาปัชนาอนาปนาสติก็ลงหายใจเข้าอม า, านุสติก็ระลึกถึงความตายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทําทให้ใจเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้ใจลอยไปลอยมาการจะปฏิบัติภาวนาะคือสมะถนะภาวนาทําจิตให้สงบ ก็ต้องมีกรรมฐานเป็ น, เ ป, นเป็นอารมณ์ไม่ฝึกไม่ผูกใจไว้งั้นมัน ม, มันก็เลยใช้แทนกันไปแทนกันมาแต่ความหมายของแต่ละตัวมันมันมีความหมายของมันเฉพาะกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการผูกใจภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจให้เป็นจิตใจที่สงบสะอาดบอยสุดธนลการภาวนา เป็นการํำระจิตใจก็ได้ไยกว่าการภาวนาแ้วมันมีความหมายแต่เรามาใช้ปลกันไปฝึกสมาธิไปนั่งกรรมฐ า, านไปเจริญนิพพานาไปภาวนาอันนี้ความหมายอันเดียวกันก็คือไปฝึกสติสมาธิปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมาว่าคงจะเข้าใจคุณขวัญวรณ น, นาครับ ครับอาจารย์การภาวนาเห็นตัวเองหน้าตาค่อยๆเหี่ยวยน่นเล็บยาวออกมาและค่อยๆเป็นกระดูแล้วรู้อยู่แบบนั้นไม่ได้สนใจแต่ก็ติดอยู่แบบนั้นจะทําอย่างไรต่อคะก็การที่เราเห็นการเ ป, ปลี่ยนแปลงร่างกายนี้ก็เพื่อที่เราจะได้คายความ ก, วกังวลเกี่ยวความช่วยความงามของร่างกายมาทําไงต่อไปร่างกายมันก็ต้องเป็นสภาพแบบนี้มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป อันนี้เป็นการสอนใจให้เราเตรียมรับกับเหตุการณ์ต่าง ๆ, ๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อให้เราไม่ทุกข์กับมันนั่นเองที่พิจารณานี้ก็เราก็ถามตัวเองว่าเราต่อไปถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทุกข์ไหมถ้าทุกก็แสดงว่าเราอย่างไม่ยอมรับความจริงเราก็จะต้องทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริง คุณสุกพัชรทิตย์ครับเมื่อขณะที่เราทําสมาธิอยู่นั้นเรารู้สึกถึงเวทนาทางใจคือมีอาการปวดใจอย่างหนักมากค่ะกําหนดอยู่นานมากแต่ก็ไม่หายจากอาการปวดใจค่ะจึงอยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์วงเล็บแม้ว่าเวทนาทางกายจะเจ็บปวดมากเมื่อผ่านเวทนาทางกายไปในแต่ละครั้งแต่เวทนาทางใจก็ยังคงเจ็บปวดอยู่ค่ะทรมานมากค่ะพราใจเราไม่สงบไงว่าเราไม่ใช่สติ เราใช้สติเวลาที่ใจข่ายความทุกทรมานใจเอาขยะนบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสวหมนไปก็นะอย่าอ่านั่งเฉย่ฉ อ, อยู่เฉยเฉอยู่เฉยเฉยแล้วกิเลกมันจะกลิดความทุกทรมานใจให้กับเราคุณมายครับเรียนสอบถามพระอาจารย์ถ้าเรารู้สึกเบื่อนหน่ายเบรนเอาท์ ฟังธรร ม, มะยิ่งทําให้เบื่อหน่ายทางโลกมากขึ้นแต่ถ้าได้ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงจิตใจดีขึ้นแบบนี้เป็นกิเลสหรือเจ้าคะขอพระอาจารย์แนะนําวิธีการแก out, ้ไขเบิร์นเอาท์เจ้าคะ่ะใช่ถ้าเราเบื่อหน่ายทำทางฟังเบื่อหน่ายทางโลกแต่มีความรู้สึกทุกข์กับมันนี่ก็แสดงว่าเป็นกิเลสถ้าเบื่อหน่ายแบบธรร ม, มะนี่จะจ ะ, จะไม่ทุกข์จะรู้สึกว่า โ, โลกมันเป็นสิ่งที่หน้าเบื่อห น, น่าย ไม่มีความสุขไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้เป็นเรื่องของการเบื่อหน่ายแบบที่เราเรียกว่านี่บิดานี่นี่บิดาทำให้เราเบื่อในสิ่งนั้นเห็นว่าสิ่งนั้นันไม่มีคุณค่าประโยชน์กับเราเราก็อยากไปยุ่งกับมันดีกว่าเราไปหาสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์กับเราก็คือการไปปฏิบัติธรรมไปหาความสงบดีกว่าแต่ถ้าเราเบื่อทั้งโลกแล้วเรา เบื่อหน่ขึ้นมาแล้วเราไปอย่างไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอยู่นี่แสดงว่าไม่ได้เบื่อหน่ายทางโลกจริงเพราะการดูหนังฟังเพลงก็เป็นเรื่องของทางโลกนันและแล้วาจะเกิดเวลาเบื่อขึ้นมาเพราะนั้นที่ดูมันมีดูมาหมดแล้วไม่มีเรื่องใหม่ให้ดูมันก็เบื่อหน่ายเพลงที่เคยฟังแล้ฟังมาหมดแล้วมันก็เบื่อได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโลกทางโลกมันก็ทําให้เราเบื่อได้เมื่อเราต้องเจอมันแบบจำเจ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราชอบเราปวดอาหารนี่มาปวดขนาด อ, อาหารชนิดไหนถ้าเราต้องกินทุกวันทุกวันต่อไปมันก็เบื่อมันก็จับใจได้มันเป็นเรื่องของทางโลกเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรที่ทําให้ใจเราอิ่มเรพอกับทางโลกคุณรัชนีกรรายงานบอกว่านั่งสมาธิได้นานขึ้นค่ะส่วนใหญ่แล้วนั่งแล้วได้ฝึกสติและลดความฟุ้งซ่านจะพยายามต่อไปค่ะ เดี๋ยวคนเข้าใจปฏิบัติแล้วเขาก็ได้ผลนะบามันไม่เข้าใจปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลเดื๋ออาจจะปฏิบัติไม่มากพอคุณสายธรรมาครับกาบเรียนพระอาจารย์ครับถ้าทํางานแล้วเกิดความโลภหรือความกลัวเข้ามาในจิตใจต้องทํำยังไงบ้างครับก็ ท, า ท, ทาําใจให้สงบไปพุทโธพุทโธไปจุริทีปิโสไปอากจะละน้ำพับ ความโลภความกลัวขึ้นมาได้ชั่วคราวถ้าอยากจะละความโลภความกลัวอยา่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราโลภนี้มันก็เป็นตายรักเดิมดูว่าชีวิตของเรามันก็เป็นตายรักเป็นของไม่เที่ยงเลกไปได้มามากเท่าไหรเดี๋ยวตายไปก็สูญเสียไปหมดอยู่ดีเอาอะไรไปไม่ได้เลยความกลัวก็เหมือนกันถ้าเรากลัวตายแล้วเราก็ต้องหวังว่าในที่สุดเราก็ต้องตาย อยู่ดีกลัวไม่กลัวก็่าตายกลัวแล้วทุกข์ถ้าไม่กลัวถ้าทําไม่กลัวก็จะไม่ทุกข์จเจ้าอย่างไรดีแล้วก็ตายเหมือนกันเราใช้ปัญญาสอนใจมันก็จ ะ, ะระงับความโลภความวกลัวได้อย่างถาวอยอาจารย์ครับมีคนรายงานเข้ามาเยอะเลยว่าได้ฟังพระอาจารย์เพราะเข้ามาทางช่องทางนี้ครับแล้วก็จนได้ฟังเทศน์พระอาจารย์ทุกวันเลยครับอ คุณลังสันครับด้วยความจํากัดของพื้นที่บ้านมีห้องอยู่ห้องหนึ่งติดกับห้องน้ําสามารถทําเป็นห้องพระได้หรือไม่เจ้าคะถ้าแยกเป็นสัดส่วนก็ได้อยู่ไม่น่านจะมีปัญหาอะไรคุณจัน ญ, ญาครับเรามีลูกไม่เชื่อฟังเราเป็นกรรมเก่าของเราหรือเปล่าคะแม่เราเป็นกรรมของรูปมากกว่าลูงมีนิสัยที่ไม่เชื่อฟังคนมันก็จะติดเป็นนิสัยมา เด็กบางคนก็ว่าน่ายสอนง่ายบางคนก็ม า, ายากสอนยากอันนี้ก็เป็นนิสัยของของเด็กเองไม่ใช่ของพ่อแม่ไม่ใช่เป็นกรรมของพ่อแม่เป็นกรรมของลูกคุณบัญชาครับนั่งสมาธิได้รู้ลมหายใจแค่ละเอียดจนบางครั้งเกือบไม่รู้ถึงลมหายใจถึงลมแต่ก็ยังไม่รวมสักทีมีทางให้รวมเร็วบ้างไหมคะ ไม่มีหรอกต้องใจเย็นๆต้องไม่รู้ไม่ชี้ที่ไม่รู้ส่วนหนึ่งก็พราอยากจะให้มันรวมงั้นอยากไปอยากให้มันรวมอย่าไปสนใจว่ามันจะหลมแล้วไม่รวมให้สนใจอยู่กับเรื่องหมอย่างเดียวนะเรื่องหลงก็จะหลงเวลามันจะรวมมันจะรวมแบบที่เราไม่รู้ตัวถ้าเรารู้ตัวหรือเราตั้งใจรอให้มันรวมมันจะไม่รวมนะอย่าไปรอมันนะให้ดูหลงไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่ชี้ไปจะหลงแล้วไม่หลงก็ไม่รู้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันจะไม่ไปหวันอะไรจากการนั่งอย่าหวังอย่างเดียวคล้ายเรามีสติอยู่กับการดูลมของเราไปอย่างเดียวกพอแล้วมันจะรวมให้เราเองถึงเวลาคุณภูมิครับสอบถามพระอาจารย์ครับเวลาความปวดเมื่อยเกิดขึ้นแล้วผมไปเพ่งจุดที่ปวดเมื่อยแล้วหายแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําอย่างไรต่อไปดีครับก็กลับมาดูลมต่อภาวนาต่อ มันต้องการให้จิตเข้าสูขขาสมมค่ครับคุณแทบครับขอการแก้หลงอารมณ์และเมาหมกข้างในเจ้าค่ะก็เพราะเราไม่มีสติเราก็ไปหลงติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆเราใช้สติดึงใจออกมาจากอารมณ์ต่างๆใช้พุโทโธพุโทโธมันสวดนต์ไปเนีย่ยสักพักเราก็จะแยกออกจากอารมณ์นั้นได้ อารมณ์นั้นก็จะหายไปคุณพัชรีครับกับนรัสศ ก, การพระอาจารย์ค่ะโยมฝึกปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าตัวโยมเองคือคนที่ทําร้ายตัวเองจนทําให้ตัวเองต้องมาเวียนตายเวียนเกิดซ้ําๆทั้งเรายังไปทําร้ายคนอื่นผูกเวีนผูกกรรมทั้งกายวาจาใจไม่มีใครทําร้ายเราเองค่ะนั่นแหะตัวเราเองลึกฤทธิ์ลึกฤทกของเราเนี่ยนะเป็นตัวที่ทําร้ายเรา ความโลภความโกรธความลงต่างๆถ้าเรารับความโลภควากรธความหลงได้แล้วเราก็จะไม่มีใครมาทำร้ายเราต่อไปคุณปัตมาวันครับแม่ไม่ชอบให้ตัดผมสั้นแต่หนูชอบมากแนละตัดตลอดหนูบาปไหมคะที่ขัดใจแม่เรื่องนี้ก็ไม่บาปเพราะมันเป็นเรื่องเป็นพอมเป็นเรื่องชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าเราอยากใช้แม่มีครับสก็ ก็ทำตามที่แม่ก็ชอบเขาก็หันแม่ก็าชอบให้เราตารัดผมสั้นก็ตัดผมสั้นที่ว่าทําให้แม่ถ้าเราอยากจะให้แม่มีความสุขแล้วแม่บาปกับการที่เราไม่ทำตามที่แม่ต้องการพเพราะมันไม่ผิดศีลผิดธรรมเราไม่ได้ทาให้พ่อแม่ไม่ได้ไปทําร้ายแม่ด้วยวิธีฆ่าหรือหรือลักทรัพย์หรือทําอะไรที่ที่ผิดศีล น, นั้นก็ไม่บาปนะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันบางทีเราก็า จ, จะต้องอทัดใจมาก สมาชเด็กๆมากเขาเคยตัดผมให้เราหรือผมให้เราทำแต่งตัวให้เราเขาาจจะติดทิศสายกลับเข้าม า, าเขาเคยเลี้ยงเรามาตั้แต่เด็กอาบน้ำแต่งตัวอะไรให้เราทุกอย่างเขาเ อ, อยากจะทําอย่างนั้นต่อไปแล้วเอาใจเขาหน่อยก็ได้ะแค่เป็นการตอบแทนคุณแม่ไปก็แล้วกันเราก็อยู่ด้วยกันไม่นาหลังจากแม่ก็ตายแล้วคิดอย่างงี้เราจะมาน่าเสียใจในภายต่างว่ามีโอกาสได้ทำบุญให้กับแม่ได้ทําให้แม่นะครับสุ ข, ขาไม่ได้ทําที เขาจะเอาจต่เอาแต่ใจตัวเองครับแล้วว่ามีสองวิธีไงวเวลาอยู่บ้านก็ให้แม่ตัดผมฉันให้เอาก้าบ้านแล้วก็อาวิ่งสายไปทีน <c oughs> ึงคุณนงนุชครับในขณะนั่งสมาธิจะมีกลิ่นหอมอ่อนเกิดจากอะไรเจ้าคะเกิดจากอุปทานเรามากักจะคิดไปปลูกแต่งไปงคุณภาวินีครับกลับเรียนถามพระอาจารย์เิฉัน บนในใจว่าถ้าหายเจ็บปวดแล้วจะบวชชีพรามมาสองปียังไม่ได้แก้เลยค่ะเพราะใจเรายังไม่พร้อมจะมีทางที่ไหนที่ดิฉันจะแก้บนอย่างอื่นได้ใหม่เจ้าค่ะมันเป็นเรื่องที่เราไม่มีสัจจะพอเราตั้งบนอะไรแนละ้วตั้งใจจะทาอะไรแนละ้วเมื่อได้ไประโยชน์จากที่การที่เราบนแนละ้วเราก็ต้องใช้หนี้มันก็ไปยืมมันก็ามาแล้ว ถ, ถึงเวลาไม่ยอมจ่ายจะหาวิธี บายเบียงอย่าไปบายเบียงเลยเมื่อเราตั้งใจว่าจะจะจะจ ะ, จะบวชทีทางเพราไม่บวชนั้นมันจะเสียหายตรงไหนการบวชจะได้ประโยชน์เสียได้ซ้ำไปจะได้มีเหตุผลทําให้เราไปบวชย้นบางทีแล้วก็มักจะอ้างว่าไม่ว่างอย่างนู้นอย่างนี้บ้างแนี้เราแก้บนเราต้องไปแก้บนก็เลยต้องทำให้เราไปถ้าเราไม่ทําต่อไปเราจะเป็นคนเสียนิสัยใ น, ในเรื่องของการมีสัจจะ เราจะเราจะไปขนาดตัวเราเอางเราอย่างหลอกตัวเราเอางได้ต่อไปแล้วก็จะไปหลอกคนอื่นได้คุณวีนาครับในโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนตามที่พระอาจารย์ทรงตัดสอนกลับเรียนถามว่าเราสามารถใช้ปัญญาพิจารณาทุกเรื่องได้เลยไหมคะโดยไม่ต้องบริกรรมพุทโธและไม่ต้องนั่งสมาธิก่อนได้ไหมคะคือพิจารณาได้แต่ทำใจได้หรือเปล่า เช่กับแฟนกับสามีว่าเขาไม่แน่นอนะมันดีขึ้นดีก็อาจจะไปมีอะไรที่ไหนก็ได้เราทาใจได้หรือเปล่าถ้าเราค้นพบว่าเขาอาจเป็นมีนู่นมีนี่เราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อันนี้ตอนนี้ที่เป็นตัวที่จะตัดสินเราคิดได้ที่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนจะทำใจได้หรือเปล่าเมื่อเจอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราถ้าเราทำใจได้ก็ไม่ต้องใช้สมาธิก็ได้ ที่ใช้สมาธิบ้างเป็นเครื่องที่จะช่วยทําให้เราทําใจให้ได้ทำใจได้นี่นคุณรักครับการสวดมนต์ต่างจากการท่องอาขยานอย่างไรคะหากเราสวดมนต์แต่ไม่รู้คําแปลจะได้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสมาธิไหมคะไม่ที่ว่าเท่า อ, อะไรนี่เราก็ไม่ไม่ไม่รู้ ม, ม่รู้มาก่อนนะว่าเขาทํามันยังไงการสวดมนต์ก็เป็นการเป็นการฝึกให้เราใจเราไม่เป็น ไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหัวใจเราจะต้องมาคิดคิดอยู่กับเรื่องส่วนมนุษยอย่างเดียวเ้านั้นเองประโยชน์ได้ก็คือถ้าไม่ได้ถ้าไม่รู้ความแปลเราก็จะได้ประโยชน์คือการทําใจให้เราดิ้งให้สงบเป็นสมาธิได้นถ้าได้ความแปลก็จะได้ประโยชน์คือได้ปัญญาได้เรื่องว่ามีความหมายว่าอย่างไรสิ่งที่เราสวดคุณวันทนีครับ ทำสมาธิแล้วเหมือนหลับแต่รู้สึกตัวว่าไม่หลับเพราะฟังธรรมะไปด้วยรู้ว่าฟังได้ยินเสียงเทศนาแต่ไม่เข้าถึงเสียงที่ได้ยินจะทำอย่างไรให้สติกลับมาอยู่ที่ลมเหมือนเดิมครับหลังจากออกจากสมาธิก็เบาสบายทั้งวันครับคือการทาสมาธิที่เราอย่าทำ้องอย่างพรอมๆกันถ้าเราจะดึงเราก็ไม่อยากไปฟังเสียงเทศ เพราะว่าถ้าเราอยู่กับลมเราก็จะไม่ได้ยินเสียงเทศถ้าเราไปฟังเสียงเทศเราก็จะไม่ได้อยู่กับลมยังเวลาจะฝึกสมาธินี่คนรจะเอาเอาอย่างไดอย่างหนึ่งถ้าเราดูลมไม่ได้เราก็ใช้การฟังเทศไปก่อนเป็นเครื่องกรอกอลรมณ์อยาอย่ า, ยาใช้เครื่องกรองอารมณสองชนิดพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันคุณใจครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ขณะภาวนาพุโทโธคือจิตคิดให้เห็นเป็นตัวอักษรว่าพุโทโธหรือท่องพุโทโธในใจโดยไม่คิดอะไรเลยคะไม่ต้องคิดอะไรเลยท้าลงไปไมเราคิดเราคิดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่ได้เนิยภาพขึ้นมาใ่ไหมเราก็คิดไปเรื่อยๆแต่เราก็รู้ว่าเราก็คิดถึงเรื่องอะไรแค่นี้พุโทโธแล้วให้เราคิดแต่คำว่าพุโทโธพุทโธไปแค่นี้ คุณมาราตรีครับนั่งสมาธิแล้วไม่เคยง่วงเลยถือว่าเจริญสติไหมคะถ้าไม่ง่วงก็ถือว่ามีสตินะไม่เคยง่วงแล้วหลับยังไงนะโดมามายเป็นช่วงที่นั่งสมาธิแล้วไม่ง่วงมันอย่างนั้นนุถ้าไม่ง่วงก็ว่าเราไม่สติเรื่องเรารับประทานอาหารไม่มากไปไม่มากเกจนเคยไปมั่งง่วนี่กิดจากการที่รรับประทานอาหารมาก เนื่องการไม่มีสติเนื่ <c oughs> มีสติน้อยคุณสุททีครับการเรียนถามครับจิตเข้าผวังกับนั่งหลับเหมือนกันหรือต่างกันครับคือผวังมีสองแบบเนี่ยผวังที่มีสติ ก, กับผวังที่ไม่มีสติผวังที่มีสติก็เป็นสมาธิผวังที่ไม่มีสติก็เป็นการหลับ คุณพันธิตครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะต้องพุโทโธต้องกําหนดพุทธเข้าเขาโทรหรือเปล่าคะาไม่ต้องนะถ้าเราใช้พุทธโทรเราก็ไม่ต้องดูบอกก็ได้เอาพุทธโทอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับลมหายใจมันจะง่ายกว่าคุณดาครับ ถือฝีห้าแล้วพูดน้อยลงฟังมากขึ้นไม่พูดหยาบคายไม่เพ้อเจ้อถ้าไม่จําเป็นก็ไม่พูดเลยเหมือนความร่าเริงน้อยลงมันกลายเป็นว่าอยู่ในกลุ่มแล้วคุยไม่สนุกยังมีหนุกปฏิบัติมาถูกทางไหมคะถ้าเราไป ท, ทำธรรมเราก็ไม่ต้องการควานเล่าเลยนะนั่นทำการขามนาเล่าจากความสงบไม่ได้ความน่าเรื่งที่เกิดจากการคุยกันทําอะไรกันนี่มันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ปฏิบัติธรรม คุณขวัญวรรณาครับมีแมวจรท้องแก่ใกล้คลอดโดนรถทับคนทับไม่สนใจคนงานที่บ้านไปอุ้มมาแล้วมาบอกให้เราผ่าท้องเอาลูกแมวออกมาแต่เราทําไม่ได้เพราะแมวใกล้าตายแล้วเพราะกลัวแมวจะเจ็บไปมากกว่านี้เลยทําความสะอาดและเปิดปดสวดมนทรูปหัวไปเรื่อยๆจนขาดใจและฝังให้เราจะมีบาปไหมคะที่ไม่ได้ผ่าหรือเรารีบเอาไปโรงพยาบาลอ๋อไม่บาปอะเรก็อาจจะทำเทที่เราทําได้เท่านี้ คุณจุไรรัตครับกาวธรรสการครับอาจารย์การใส่บาตรกับการถือศีลปฏิบัติธรรมการกระทาใดที่ส่งผลบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วคะต้องทำทาบุญใส่บาตรถึงจะอุทิดบุญได้การรักษาศีลเานี้ยังไม่ไ ม, ไม่ยังไม่สำเร็จผลประโยชนะ์ยัไม่าดผลิอยู่คุณยานิสาครับถ้าหนูว่าแม่แล้วขอโทษจะบาปไหมคะ คือมันก็ยังบากอยู่ดีถ้าไปว่าแม่ว่าแม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่นควรที่จะไปว่าท่านขอโทษนะมันก็ยังบากอยู่ดีการขอโทษนี้เป็นเพียงการเป็นการแสดงทำนึกผิดว่าได้กระทําสิ่งที่ไม่ไม่ควรกระทาแล้วพยายามจะไม่ทำต่อไป คุณนัทสิทธิ์ครับกรานวัทการ์ครับมีวิธีอย่างไรให้เลิกติดโทรศัพท์ไหมครับมีก็อย่าไป ม, มีมันเลยให้โทรศัพท์ ส, สาธารณะไม่ยู่ของเพื่อนก็ได้คุณจีรวัตรครับการแยกสติออกมาจากอารมณ์บ่อยๆจะช่วยลัความฟุ้งซ่านได้ไหมคะได้การมีสติก็จะจะระงับอารมณ์คามฟุ้งซ่านต่างๆได้ เราฝึกสติพูดทรเรื่อยๆม่สวนันไปเรื่อยๆคุณวันธนีครับเพื่อนฝากถามค่ะพ่อกับแม่ให้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแต่เรากับไปแอบแต่งจนได้พ่อแม่ก็ตามสาบแช่งการสราบแช่งของพ่อแม่จะส่งผลหรือไม่เพราะเราไม่อยากแต่งกับคนที่เขาเลือกให้ครับ อ๋อไม่รอกใครจะสาดแช่งเราไม่ได้นอกจากกรรมของเราเองนอกจากการกระทําของเราท่านั้นที่จะเป็นผู้สาดแช่งให้เราดีหรือชั่วได้ดีชั่วอยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่การสาดแช่งของผูดคุณมีนาครับดิฉันเพิ่งผ่านตัดมาแล้วอยู่ที่พักคนเดียวมาเกือบเดือนเพราะยังทําอะไรไม่ค่อยได้บ่อยครั้งที่รู้สึกเบื่ออยากไปเที่ยวมากแต่บางครั้งมันมีความคิดแวบเข้ามาว่าไปเที่ยวก็ ไม่เที่ยงเดี๋ยวกลับมาเหงาอยู่ดีอยู่บ้านเฉยๆก็สบายดีมีความสุขดีความคิดมันค้านกันไปมาค่ะเราควรแก้ปัญหาอย่างไรดีคะเราเริ่มเห็นเห็นเห็นปัญหาแนละ้วเราเริ่มเห็นวิธีแก้ปัญหาแนละ้วเพราะเราดูอาการไปแก้ปัญหาด้วยการไปเที่ยวแก้เหงามันก็เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอยู่คนเดียวอยู่มันก็ต้องเหงาใหม่ งั้นวิธีดีสุดก็ถ้าเราหัดอยู่บ้านเฉยๆให้ได้ให้มันสบายดีมีความสุข ด, ดีเราก็ไม่ต้องไปเราก็จะหายเหงาไปเองต่อไปเรามาถูกทางนะ้เราทางที่เราควรจะไปก็คืออยู่บ้านเฉยๆให้มันให้มันมีความสุขถ้ามันไม่สุขก็ฝึกนั่งสมาธิไปอย่างนี้ดีกว่าแล้วต่อไปเราก็จะสามารถใช้การอยู่คนเดียวการนั่งสมาธิเป็นวิธีแก้เหงาได้ ไม่ท้อไเทียวเที่ยวกี่ครั้งเลยกลับมาหนาวอยู่เหมือนเดิมอยู่ดีคุณแต้มสีครับปฏิบัติธรรมไปได้ระดับหนึ่งรู้สึกไวต่อกิเลสสัมผัสได้ถึงตัวอวิชชารู้สึกว่าเวลาดําเนินชีวิตประจําวันมีสิ่งหนึ่งชักใยอยู่เบื้องหลังตัวเองกําลังดําเนินชีวิตภายใต้ความหลงกําลังคิดไปเองหรือเป็นความก้าวหน้าในทางธรรมคะ เป็นความก้าวหน้าเพราะเรามปสติมากขึ้นเราเริ่มเหตุการณ์ทำงานของจิตใจของเราขึ้นมามากขึ้นคุณทวีวัดครับพอดีผมเทรดหุ้นแล้วเวลาเทรดเกิดความกลัวในการใ น, ในการเพราะคิดไปต่างๆนานาแล้วพอได้กำไรก็เกิดความโลภและกลัวในการถือกำไรจะใช้ธรรมะแก้ไข ย, ยังไงดีครับก็ ถ้าเราคิดว่าการที่เราทำอะไรมาแล้วมันทำให้เรามันเป็นของชั่วคราวนทะั้งนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้มาลผลที่ได้เกิดโดยทำให้เรามีความรู้สึกไม่ดีต่างๆเราก็ควรที่จะละความโลกให้มันน้อยลงไปทำเท่าที่ควรทำทำเท่าที่มันทาให้ใจเราไม่ค่อยรู้สึกวุ่นวายใช่ คุณอัชลาครับถ้าหนูนอนภาวนาแล้วหนูหลับไปแบบนี้แย่ไหมคะไม่แย่หรอกเพียงแต่หนูไม่ได้ประโยชน์ท่านไม่ได้ไม่ได้ผลจากการภาวนาเพราะหนูนอนหลับคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคุณออยจะทํายังไงให้มีความพยายามปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายครับเราก็ต้องกําหนดตารางของการปฏิบัติของเราด้วยว่าวันหนึ่งเราจะปฏิบัติกี่ชั่วโมอง ทำเป็นตารางไว้เวลานี้ปฏิบัติพอถึงเวลานี้เราก็ต้องปฏิบัติคือมีอธิษฐานแล้วก็มีสัจจะความจริงใจต่อาการที่เราตั้งตารางของการปฏิบัติของเราไว้อย่าอย่าบิดพบี้วเมื่อตั้งใจตั้งเวลาว่าจะเป็นหวัดเวลานี้ถึงเวลาก็ต้องทําถ้าเรามีสัจจะมีความตั้งใจมีสัจมีอธิษฐานคือความตั้งใจมีสัจจะคือความจริงใจ ไม่บิดเพลีไม่เปลี่ยนใจวเราก็จะสามารถรักษ า, า ร, ระดับของการปฏิบัติของเราได้พระอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ใน f a c e b o o ห6 9้อยเก้าสิบเก้าคนใน y o u t u แปด2้อยี่สบเอ็ดคนในครับ h o าส e 1ิบเก้าคนรวมวันนี้หนึ่งพันห้าร้อยสาสิบเก้าคนครับพระอาจารย์ครับอันนี้ก็มากพอสมควรนะครับผมก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามา ฟังหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นําออกไปใช้ในการปฏิบัติให้จิตใ จ, จเจริญก้าวหน้าต่อไปการจะนาธรทำสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนํานเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเอทอธู ก็ขอลาคุณหมอแลวถ้าผู้ชมผู้ฟังไว้ไปเพียงเท่านี้แล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์ในขาดข้อก็จะได้พบกันใหม่ครั้งในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอจะแบบยผ่อกับขอบรพระคุณครับท่านครับ